ยย慢慢อยาก ja พระพุทธเจ้ามานานอยากกลับไปเฝ้าพระพุทธเจ้าตอนที่พระมหินท่าเทละไปประกาศศาสนาที่ลังกาทวีปพอไปประกาศได้ระยะหนึ่งท่านก็บอกกับพระเจ้าเทวานุพยาติสาว่าอาตมาจากพระพุทธเจ้ามานานแล้วอยากจะกลับไปเฝ้าพระพุทธเจ้า พระ เ, เจ้าเป็นดินเทวานิมยติสาก็บอกว่าพุรธเจ้าปรินิพานแล้วท่านจะไปเฝ้าพรธเจ้ทาที่ไหนก็ไปเฝ้าที่ไหนอาแ ล, แล้วอยู่รังกาเฝ้าที่ใจไม่ได้สิ <c oughs> ท่านก็พูดถึงในเรื่องของสถานที่ประสูติตรรู้แสดงธรรมจักให้เป็นไปแล้วก็พิพานตลอดถึงพระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุในพระเจดีย์ในพุทธในอินเดียในยุคนั้นนั่นคือพระพุทธเจ้าไงพระเจ้าเทวานามปยาติสาก็เลยอัญเชิญให้ขอทูลอัญเชิญจกพระเจ้าโศกให้ส่ง ต้นพระสีมหมาโผกิ่นต้นผัสสีหมาโภที่นางสังคมิตานํามาแล้วก็พระบรมสาษีเล็กธาตุให้สมณเนรสมณสมณเณรเหาะกลับไปไปเอาไปขอพระบรมภาษีเล็กธาตุเจ้าพระเจ้าโศกที่ขุดได้ตามพระเจดีย์ต่างๆแล้วก็ให้สมณเนนิมนต์สมณเนรให้ไปเอาพระราขวัญ พระอธิทาพระอาทต ธ, ธ, ธ, ธ, ธเจ้าคือคือหาย巴拉ที่บรรจุอยู่ที่ดาวดึงที่เท้าส ก, กะเอาไปบรรจุไว้ในพระเกศแก้วจุรามณีสนน ม, มเดนก็ไปรับมาได้พระราคขันมาก็เลยบรรจุไว้ที่ถูปารามถูปารามก็ที่ศรีรังกาปัจจุบันก็อยู่ที่อนุราตอนุราธาปุระเคยไปไหมยังไม่เคยไปใังไง่ไเอามาไปไหว้มาแล้ว แล้วก็ที่พระเจดีเอามาบรรจุไว้ในเจดีแล้วก็พระมหินท่าเทละก็เลยไม่ได้กลับอินเดียเลยเป้าพระพุทธเจ้าที่ตรงนั้นเลย <c oughs> นี่ได้เป้าพระพุทธเจ้า เ, เวลาเราไปไหว้พระบรมสารีเลกาธิการของพระพุทธเจ้านเนี่ยที่พระเจดีต่าง เราเคยมีความคิดว่าเรากำลังเฝ้าพระพุทธเจ้าจริงๆเลยไหม <Sched ul enta> เคยทำความรู้สึกได้ขนาดนั้นไหมอ๋อไปมาแล้วหนึ่ง อธิษฐานอธิษฐานัมแล้วเห็นหรือยังเห็นได้แค่ใบโพโอเห็นลางๆอยากเห็นทำเนาะ เ ป, เป็นของเราเนี่ย <c ười> กระโดดตะครบเลยมย โ, อโอ้โอได้ไหมยัง แ, แล้วอยู่ตรงแล้วแล้วตอนนี้อยู่ตรงไห น, อนขอได้ไหมให้ไม่เอาหรอก <c ười> เขาไปลากดินเข้ามาแล้วอ๋อผูกเศกแล้วแล้วเอามาแล้วทำไง เหมือนดินบ้านเราไห ม, ไ, มหได้ดมดูไม่กลิ่นเหมือนกันมจะจับ้กแบบเอ้ยออแต่ตั้งไม่ได้ระสงนี <li ly> ่แล้วอไม่จับตัวนดีอะใส่หลอดแ้ก็เขี้ว่าาระระูรกทางความออแสดงว่าไปถึงแล้ว ความเชื่อใช่ไหมเป็นความเห็นเนาะแต่ความจริงไม่รู้ก็มีตอนที่เขาไปที่บ้านของเขาบอกว่าตรงนั้นสกถูกตรงนั้นเป็นบ้านของอนาถาปินณิกาเศรษฐีเขาก็บอกว่าอนาถาเนี่รวยมาก ถ้าใครอยากจะรวยให้เก็บดินแถวนี้ไปโอ้โหเก็บกันกระเป๋าตรงกันหมดเลยอยากรวยกันคนไทยน่ารักดีเอาเอาผ้าสามสีไปพันต้นไม้ไว้ แลก็ไหว้ก็บอกให้ไหว้ก็ไหว้กันมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งมันหน้าวัดนะนะมีไอ้สุนัขมันไปถ่ายไปถ่ายไว้ก็จอบปวกนี่ก็พระพระเดินมาดูมันดูอุจจารไปก็มีดอกไม้แห้งๆมาก็เลยโยนปิ ด, ด้วย อีกคนผ่านมาก็นึกว่าตรงนี้เป็นที่ไหว้เนี่เพรา <laughs> ก็แล้วอีกคนหนึ่งก็ดอกไม้มาปากไหว้น <laughs> ัเข้านัเข้าโหอยกองดอกไม้ไหว้นัเข้านักเข้ามาขอกันเต็มหมดเลยพาท่านก็เอ้ยยุ่งโร้วงานนี้ี่ไอ้แรกๆทีมันเป็นหมามาถ่ายไว้แล้วคนประกฏตอนนี้ถูกหวยถูอะไรกันสารพัดหมดเลยตอนนี้ยเริ่มใหญ่กองอุจจาระหมาแท้ขี้มา จะทํำยังไงแต่เนี้ยเอาจะแก้ปัญหายัางไงพาก็เหนื่อยเลยแต่เนี้ยนักเข้านักเข้าก็พาก็ให้คนไปขนในนี้ออกโอ้โหชาวบ้านว่าเสียเลย <c oughs> ยองวาง่ายดี <c oughs> เรื่องความเชื่อมนุษย์นี่ไม่ได้เลยนะใช่มเรื่อความเชื่อ คำว่าอธิษฐานเนี่ยแปลว่าอะไรเดี๋ยวก่อนจะเข้าสาระอธิษฐานแปลว่าอะไรฮะอธิษฐานแปลว่าอะไรอธิษฐานแปลว่าขอใช่ไหมเอาใครว่าแปลว่าขอยกมือขึ้นทีอธิษฐานโอ้ได้เยอะอธิษฐานแปลว่าขอขอว่าไปกราบพระพุทธที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ว่าขอให้ ขอให้ครอบครวัวข้าพเจ้าอยู่เย็นเป็นสุขเคยไปขอแบบนี้ไหมขอให้ข้าพเจ้ามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ข้าพเจ้าจงสมปรารถนาใช่ไหมเราไปของินนะพอขอเสร็จแล้วก็กลับมาที่บ้านมานอนรอผลโดนบันดาล <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องทำอะไรแล้วขออย่างนี้นจริงไหมชาวพุทธเป็นแบบนี้ไหมไม่ใช่พวกเราเนะยชาวพุทธส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ไหม ใช่ไหมออจาพูดก็เป็นกันอย่างงี้ขอท่านเคยอ่านหนังสือสมัยก่อนตอนนั้นกรมพยาดำรงราชาโนภาพเขียนกันว่าที่นี่มีพระลูกหนึ่งรู้สึกจะเป็นสมัยนั้นหลว่าแช่มมั้งทั้งแถวภาคใต้อะ่ะตอนนั้นเขาท่านนิมนต์เนี่ยหลวง่าแช่มมาหามาคุยด้วย เอ๊ะทําไมที่หน้าแข้งหลวงพ่อแช่มเนี่ยมีทองปิดเต็มไปหมดทําไมหล่าหลวงพ่อทําไมมัปิดทองเต็มไปหมดเนี่ยยอมเขาอธิษฐานขอปิดทองไปอธิษฐานไงก็บอกว่าเขาไปอธิษฐานว่าขอให้คลอดลูกง่ายอถ้าคลอดลูกง่ายจะขอบ บนบนปิดทองหน้าแข้งของพระไว้<笑><笑>พระก็บอกหจะทำยังไงดีใช่มะไยไปมาก็ก็เลยยื่นหน้าแข้งให้บอกว่าอย่าไปบอกใครนะเลยคนนั้นไม่ยอมไปบอกคนอื่นโอ้โหเรื่องดังเลย ด, ดิโอ้โหท่ น, นี้ลำบากท่านเลยพกไปบนอะไรมาก็มันนัง่งอเฝ้าอยู่นั่นแหละ ยอมอย่าไปบนอย่างนี้เขเนะ น, นี่ยบนบิดนัแข้งท่านไหน <laughs> ยอมเคยไปบนเหมือไม่ใช่ไหมบนปิดทองท้าเลยเคยปิดทองพระพุทธรูปเคยเคยบนไหมเคยปิดไหมเคยปิดทองไหมปิดจนหน้าท่านเลอะหมดเคยไหม <laughs> เนี่ยกรณีแบบเนี้ยยังให้หน้าสวยๆยอย่างนี้บางทีไปปิดเ่านเลอะเลยเคยเห็นไหม ที่เพชรบูรณ์เนี่ยที่วังโป่งหลวงพ่อเพชรคนก็ไปปิดเลยทุกปี อ, อามาก็เลยไปซ่อมบำรุงใหม่แล้วก็ห้ามปิดโอ้โหชาวบ้านโกรธมากเลยฉนั้นก็เลยต้องไปสร้างองค์จําลองมาให้ให้ปิดองค์จําลองแม้ก็จะต่อรองกันได้แทบแย่เลยเยอะคนเดี๋ยวนี้แปลกมากเขาเคยปิดทองเขาเนี่ยคําว่าอธิฐานเนี่ย คืออธิษฐานแล้วทำอีกยกตัวอย่างเช่นตอนที่พระพุทธเจ้าก่อนจะได้ตรัสรู้พระพุทธเจ้าอธิษฐานว่างไงเนื้อและเลือดจะเหือดแห้งหายไปเนื้อกับเลือดนี่หนึ่งองค์หนึ่งเลยเนะ่จะเหือดแห้งหายไปจะเหลือแต่หนังจะเหลือแต่เอ็นจะเหลือแต่กระดูกก็ตามทีสี่ไหมองค์สี่ไห ม, ไหมเนื้อเลือดนี่องค์หนึ่งหนังนี่องค์หนึ่งกระดูกเอ็นแล้วก็เอ็น เนื้อละเลือดจะเหือดแห้งหายไปจะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีถ้าไม่ได้บรรลุสัมมาสัมพธิญาณแล้วจกไม่ลุกจากบันหลังนี้เพราะอธิฐานเสร็จแล้วทำอะไรต่อเอออธิฐานแล้วก็ทำเลยนั่งบาเพ็ญเพียรเลยถ้าไม่ได้บรรลุจะไม่ลุกขึ้นนี่อธิฐานของพระพุทธเจ้านะแต่อธิฐานของเราก็บอกว่าขอให้ข้าพเจ้าจงมีคุณสุขภาพดีแข็งแรง ขอให้สามีรักขอให้ลูกว่านอนสอนง่ายขอให้มีเงินทองเยอะๆอธิฐานเสร็จแล้วก็กลับมารอผลได้ทำอะไรไหมเราอะได้ทำหรือไม่ได้ทำอธิฐานขอกับอธิฐานทำใช่ไหมอธิฐานแล้วทำกับอธิฐานแล้วขอต่างกันไหมอ่าถ้าเราอยากจะทำตามใจเราก็อธิฐานอย่างที่เราทำนั่แหละอธิฐานเสร็จก็มานอนรอผลเช่น ขอให้ข้าพเจ้าได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรกลับมันนอนเดี๋ยวมันก็จะเห็นธรรมเองไม่ต้องทําอะไรเลยได้ไหมขอให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็มาทําพฤติกรรมเหมือนเดิมอ่ะเคยขี้บ่นจุกจิกจูกจ้จี้ไงก็ทําเหมือนเดิมนั่นแหละคิดว่าครอบครัวจะอยู่เย็นเป็นสุขไหมที่มันอยู่ร้อนนอนทุบเพราะใครเป็นคนทําเราเป็นคนขี้บ่นนิ่ง ใช่ไเออได้เห็นไหมเนี่ยในพุทธศาสนาท่านเวลาต้องการให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเขาต้องทํำยังไงไปตั้งจิตอธิษฐานว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปดิฉันจะรักษาศีลห้าจะเจริญกุศลกรรมบทสิบจะปฏิบัติหน้าที่ในความเป็นสามีให้ดีปฏิบัติหน้าที่ในความเป็นภรรยาที่ดีปฏิบัติหน้าที่ในความเป็นแม่ที่ดีเป็นลูกที่ดีเป็นพ่อที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีเป็นต้น ให้ถูกต้องตามวระทํำคาสอนของพระพุทธเจ้านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพอธิฐานเสร็จก็ไปทหรลอลงมือทาอย่างนี้บรรลุผลไหมเอออธิฐานก็ดีไหมแบบนี้โอ้เดี๋ยววันนี้อธิฐานเลยนะนนนนเนายะยก งั้นกลับไปที่บ้านลองทํางี้ดูเนีเนื้อและเลือดจะเหือดแห้งหายไปจะเหลือแต่หนังเอ็นกระดดกระตามทีถ้านั่งไม่ถึงห้าชั่วโมงจะไม่ลุกเล็ดขาดไหวไหมไหวไหมไหวไหมห้าชั่วโมงสองชั่วโมงไหวไหม ไม่นึกว่าอาธิษฐานว่าขอให้พาจงปวดเมื่อยให้เต็มที่ขอให้ท่านรีบลืมตาออาธิษฐานอาธิษฐานแล้วทำํำนะไม่ใช่อธิษฐานแล้วขอแต่ถ้าเราอยากอาธิษฐานอย่างเราก็ทําอย่างที่เราเคยทํอาอธิษฐานก็ขอ ขอยลูกสอบได้แล้วไปดีฐานถ้าลูกสอบได้จะเอาอะไรเอาผ้ามาบนเอาอะไรไม่รู้เคยไปให้ศีลบนบ้างไหมเคยใช่ไหมโอ้โหนักบนกันเลยบนบานสารเก่าใช่ไหมเนี ทำแบบนี้ตรงกับที่พุทธเจ้าสอนไหมที่เราไปบนนีต้ตรงไหมตรงและตรงใค ร, ต, รตอนที่ไปตอนที่ไปสมัครงานไปอะไรเราไปบนบ้างไหมถามย่างนไหนใครใครเข้างานได้เพราะการบนยกมือหน่อยดิตอนที่ไปสอบเข้าพยาบาลครั้งแรกนี่บ น, บนไหมบนไม่บนแล้วเคยบนเรื่องอะไรบ้าง บนว่าไงาไอ๋อเพราะบนเสร็จแล้วกลับมาบอกลูกว่าสบายแล้วลูกเอ้ยไม่ต้องไปดูดดนรง อ, อ๋ออ๋อถ้าไม่ได้อะทำยังไงแก้บนทำางไงไไแสดงหลายแสดงว่าหลายรอบเลย โอ้ฉันเป็นถ้าฉันเป็นเทวดาเป็นไรฉันก็งงกับชีวิตพวกเราเนะี่ยเด้อหมอสงสยัยทางขึ้นวัดเขาวงพัชร์มา ที่วัดเขาวงองพระจานทร์มีชุดไทยแขวนเต็มไปหมดเลยไปซื้อจากร้านยอมนี่ลรามังเล่นเนนเล็กๆพากันกลวัวโอ้ชีวิตแล้วอย่างนี้พุทธาจะเดินไหวไหมเนี่ย เจ้าพ่อที่ไหนเจ้าพ่อพระการเนี่ยองเขาบอกว่ามาลต้องมาวทุเกดอเขา่ว่ายไงตามไปไหว้ไปไหว้อ๋อเจ้าพ่อพระการเป็นผู้หญิงผู้ชายเจ้าผู้ผู้ชายใช่ไหมอ๋อเจ้าพ่อคืผู้ชายอ๋อที่ศาลพระการเคยเห็นตัวท่านไหม ท่านเคยมาหาบ้างหมไม่เคยบอกให้ให้เป็นลูกคุณรรมของท่านอ๋อตอทเสียมาฝากไว้ค่ะเพราะว่ามาอยู่เนื้อฝากเนื้อฝากตัวเพ่รก็มาเือนมาถวายอะไรท่านะเือนถ้าถวายระวังน่ตัวก็ถวายก็อาจจะเป็นตอนนั้นตอนที่แม่อยู่ก็ก็จะทไก่ทเนยท่านชอบท่านชอบไก่เลย ชอบน้ำแดงด้วยว <c oughs> นนี้ก็เดกแม่จะแม่าจะทใแล้วผมตอนน้แ ม, แม่เขาเสียไปก็เลยไม่ทาแล้วเอาผลไม้อย่าง ด, วดกว่าเพราะว่ามันจะได้ไม่ทป ไ, ไ, ไม่กลับ ย, ยังทาอยู่เนาะอันนี้เล่าให้ฟังหรือ <c oughs> ต้องการถาม ถามว่าไงยอมอยากจะให้บอกความจริงหรือบอกให้ยอมชื่นใจ ยอมเวลายอมอยู่กับสามีเนี่ยยอมอยากให้สามีพูดความจริงกับยอมหรือโกหกยอมสมมติถ้ายอมถามเขาสามีว่ายังรักฉันเหมือนเดิมไหม ย, ยอมอยากให้สามีพูดโกหกหรืออยากให้เ็าพูดความจริง <c oughs> ถ้าพูดความจริงเขาก็จะบอกว่าฉันหมดรักเธอตั้งแต่ห้าเดือนแรก <c oughs> ท, ที่อยู่นี่ก็ทนไว้งั้นเลยก็คือสัจจกความจริงเนี่ยบางทีมันก็เป็นประโยชน์ได้หลายอย่างกันกอนคืออย่างนี้นะพุทธศาสนาเข้ามาในในประเทศไทยเราก็ต้องยอมรับความจริงอยู่อย่างก็คือว่าศาสนาฮินดูหรือศาสนาพราหมณ์เนี่ยก็เข้ามาก่อน ศาสนาฮินดูและศาสนาพราหม์ก็เกี่ยวกันในเรื่องของการบ่นนี่้การบน่นการบูชาการอ้อนวอนเราจะเห็นชัดในลบบุรีเนี่ยเราจะเห็นพระปรางสามยอดใช่ไหมเป็นศาสนาของเทวสถานของฮินดูของพราหมณ์ทีนี้มนุษย์เราโดยส่วนใหญ่เราก็แยกไม่ออกว่าอะไรเป็นพราหมณ์อะไรเป็นพุทธมันก็เลยปนกันหมดเลยตอนนี้ วลาจะทำวิธีพุทธก็มีพรามณ์เข้ามาแทรกอะไรเงี้ยจะทําวิธีพราหมณ์บางทีก็มีพุทธเข้าไปแทรกแล้วก็อยู่กันมาอย่างเนี้ยมันก็เป็นความน่ารักอย่างหนึ่งนะแต่จริงๆแล้วคนกระทําเนี่ยโดยมากก็ไม่ค่อยได้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงในการที่จะกระทําการรักษาศีลเนี่ยยองถ้าการรักษาศีลก็ดีการบูชาอะไรก็ดีเหมือนเราบูชาพระเจ้าเนี่ยถ้าบูชาด้วยความไม่รู้ บูชาตามประเพณีบูชาตามๆกันใหมไปเนี่ยหรือการรักษาศีลการประพฤติปฏิบัติในศีลก็ดีเนี่ยที่เราทำแบบไม่รู้ไม่เข้าใจทำด้วยความงมงายทำด้วยความไม่เข้าใจแต่ก็กระทำตามวัฒนธรรมตามประเพณีอย่างเนี้ยภาษาพาเขาเรียกว่าศีลพตปรามาเป็นการกระทำที่ไม่รู้จุดหมายที่แท้จริงพ่อบอกให้ทำยังไงก็ทำยกตัวอย่างเช่น ในสิงคาลกษสูตรเนี่ยสิงคาลมานบเนี่ยเป็นคนที่ไม่อยากไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไม่อยากเข้าไปหาพระเพราะมีปัญห า, าไปหาผ้าเนี่เสียเปรียบหนึ่งผ้านั่งข้างบนเราก็นั่งข้างล่างตายแล้วทีก็ต้องมีของไปด้วยอะไรด้วยนี่ก็ต้องไปคุกเข่ากราบโอ้มันหลายอย่างมากไม่อยากไปคุยกับพระทีนี้ตอนนั้นพ่อก็เลยวางแผนเวลาใกล้จะตายเนี่ย พ่อก็เลยวางแผนบอกว่าเออเนี่ยถ้าพ่อตายไปแล้วให้ลูกไปไหว้ทิศวิธีการไหว้ทิศก็คือให้ไปอาบน้ําชําระกายให้สะอาดก่อนเมื่อชํ า, าระกายสะอาดเบ็ดเสร็จแล้วไปล้างล้างบาปในในน้ำเบ็ดเสร็จแล้วทําร่างกายสะอาดแล้วก็ให้ไหว้ทิศเหนือทิศใต้ทิศ ต, ตะวันออกทิศ ต, ตะวันตกทิศเบื้องบนเบนืบ้องต่ําให้ทําอย่างนี้ทุกวันว่า ง, งั้นเถอะเนี่ยลูกก็เลยเชื่อแล้วก็ทําโดยเนี่ยคิดว่าทําแบบเนี้ยมันได้บุญแล้วก็ทําอย่างเนี้ย ตลอดตลอดอยุบมมาวันหนึ่งพระสัมมาสัม พ, พุทธเจ้าก็เสด็จบิณฑบาตผ่านตรงนี้แหละก็เจอไอ้เจ้ามานพนี่แหละไหว้ทิศอยู่ไปชำระก้างกายสะอาดเบียเสร็จก็มาไหว้ทิศเหนือที่ใต้ตะวันออกตะวันตกทิศเบื้องต่ำเบื้องบนไหว้เสร็จก็เจอพระเจ้าพระเจ้าถามว่าเธอทําอะไรบอกไหว้ทิศไหว้ทําไมบอกว่าเพื่อความสะอาดบริสุทธิ์เพื่อเป็นมงคล ยิงต้องทําแบบนี้เหมือนเราไปบนไปอะไรเนี่ยก็คือเพื่อจะเข้าถึงมงคลเข้าถึงความสะอาดบริสุทธิ์เพราะงั้นเธอเขาเชื่ออย่างงั้นพระเจ้าก็ถามบอกว่าเวลาก่อนที่เธอจะไหว้ทิศเธอทํำยังไงบอกว่าก็ต้องไปชําระร่างกายสะอาดก่อนเอาของสกรปรกออกก่อนในแม่น้ํำคงคาเป็นต้นขึ้นจากแม่น้นานําสร็เสร็จพวบก็มาไหว้ทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกทิศเบื้องต่ำเบื้องบนเสร็จอย่างนี้จะได้มงคลทุกวันเลยว่าะฉะเป็นมงคลแก่ชีวิตเป็นเลิกดีเป็นยามดีเป็นมงคลดีเป็นขณะดีเขาในการทําแบบนี้ เขาก็จะได้มีความสุขในชีวิตนั้นประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตนเองหวังและปรารถนาก็ทำอย่างเนี้ยพุทธยาบอกเออการไหว้ทิศในบอกการไหว้ทิศของเธอก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะแบบอย่างของ อ, อ, อ, อาราญาชนก็ก็เป็นอีกแบบหนึ่งแต่การไหว้ทิศแบบอารยชนชนที่เป็นอารยะก็เป็นอีกแบบหนึ่งออพราหมณ์คนนี้เจ้า สิงคารมานพ ก, ก็เลยบอกว่าเอออยากจะรู้บ้างว่าอริยะชนเขาไหว้ทิศกันยังไงออพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเธอก่อนที่จะไหว้ทิศเธอต้องชำระร่างกายตนเองให้สะอาดก่อนใช่ไหมบอกใช่ในพระศาสนานี้ก็เหมือนกันก่อนที่เธอจะเข้าไปสู่การไหว้ทิศในพระในใ น, ในพระศาสนานของพระชินเจ้าของพระอริยเจ้ า, จาทั้งหลายเธอก็ต้องทำตนเองให้สะอาดแต่ไม่ใช่สะอาดข้างนอกนะแต่เป็นความสะอาดข้างในเช่นยังไงหนึ่งต้องไม่ฆ่าสัตว์ เนี่ยเมื่อไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติในการมนี้เชื่อว่าเธอทํากายให้สะอาดแล้วเธอได้อาบน้ําในพระาศาสนาแล้วทางกายกรรมวาจาก็คือไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคําหยาบไม่พูดเพ้อเจ้ออันนี้ชื่อว่าเธอทําวัจีกรรมให้สะอาดในพระาศาสนานี้แล้วเห็นไหมกายสะอาดหรือยังอาบน้ําก็คือใช้ศีลเป็นปตัวชําระกายให้สะอาดใช้ศีลเป็นตัวชําระวาจาให้สะอาดแล้วไหลต่อทางใจทํายังไงชําระใจก็คือไม่มีอคติ ไม่ลำเอียงเพรรักไม่ลําเอียงเพราะโกรธไม่ลําเอียงเพราะกลัวไม่ลําเอียงเพราะหลงถ้าทําใจอย่างนี้ได้แปลว่าใจนั้นสะอาดแล้วกายวาจาใจสะอาดโอเคนี้ใช้ได้แล้วเมื่อเธอกายวาจาใจสะอาดแล้วเ็เสร็จนี่นี่เป็นการทําอาบน้ําในพิศสสนานี้ทีนี้เพราะต่อไปก่อนที่เธอจะเข้าไปไหว้ทิศเธอก็จะต้องตั้งหลักในการปฏิบัติให้ถูกต้องเช่นไม่ดื่มน้ําเมาไม่เที่ยวกลางคืนไม่ดูการละเล่นไม่เล่นการพนันไม่คบคนชั่วเป็นมิตร ไม่เกียรติค้านทําการงานงั้นเธอต้องชําระความสโครกเหล่านี้ออกก่อนที่ที่จะต้องวางแผนว่าจะต้องไม่เกีย่ยวเกี่ยวข้องกับคนพาลหรือคนที่ไม่ดีอย่างนี้โอเคหรื อ, อยังวะเอาแล้วสะอาดทางกายทางวาจาทางใจและสะอาดในการเลือกคบบุคคลหรือสถานที่ที่ไม่เหมาะสมถ้าเธอทําได้อย่างนี้เธอเตรียมในการเข้าไหว้ทิศในาศาสนานี้ได้เอาไหว้ทาาิศคือเธอหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นมาเรียกทิศตะวันออกเป็นทิศเบื้องหน้า ภาษาภาคเขาเรียกภูรัติทิฏฐิทิฏฐิเบื้องหน้าใครเป็นทิฏฐเบื้องหน้าของเธอพ่อและแม่เอาละสิทีนี้ยพ่อแม่ถือเป็นทิฏเบื้องหน้าเพราะอะไรท่านเกิดก่อนเราเธอมีท่านมีประสบการณ์มาก่อนเราเ อ, อลูกพึงปฏิบัติต่อพ่อแม่อย่างไรท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบนี่คือเรียกไหวทิศทํากิจของท่านเนี่ยไหวทิศดําำรงวงตระกูลทํารักษาวงตระกูลให้หยืดเืบทอดเยืนยาวไม่ให้เสียหาย รักษาทำตอนนี้เหมาะสมกับการที่ได้รับมรดกหรือเป็นทายาิที่ดีเมื่อท่านล่วงรับทําบุญอุทิศให้นี้เรียกว่าการไหว้ทิศนี้เป็นมงคลใช้พาการปฏิบัติอย่างนี้คือว่าไหว้แล้วไม่ต้องไปนั่งประงกประงกต้องไปต้องไปไหว้หันหน้าทิศจาเนียในพระในวินัยของพระรยาเจ้าท่านทำแบบนี้แล้วก็ว่าเลยเอา ปฏิบัติต่ออาจารย์ยังไงปฏิบัติต่อลูกยังไงปฏิบัติいいต่อเพื่อนยังไงปฏิบัติสามีต่อรสามีภรรยายังไงปฏิบัติต่อลูกน้องเจ้าหนายยังไงบอกหมดเลยนี่คือการไหว้ทิศในพระธรรมที่ไหนนี้เข้าใจยังเห็นไหมสอนหลักการแบบนี้คําสอนลักษณะนี้อันนี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้างมง่ายไหมมีเหตุผลไหมมีเหตุผลถ้าทําแล้วครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขไหมอยู่เย็นเป็นสุขนี่ไงพระพุทธเจ้าสอนแบบนี้ เอาถ้าจะไปบูชาพระเจ้าเอาดอกไม้ไปบูชาจะบูชาเทวดาก็ได้แต่รู้จุดหมายไหมไม่ใช่ทาแบบตามๆกันมาด้วยนะบอกวิธีการเออเธอทําทถูกไหมเอาทํายังไงอะ่ะ <laughs> พวกเราทําตามๆกันมานี่ไม่ได้ทําแบบมีเหตุผลเนี่ยใช่ไหอย่างเช่นไปบูชาพระเจา้าแล้วก็ดอกไม้เป็นกันไปที่พระเจดีไปที่พระเจดีไปไหว้อิปูนใช่ไหม ด้วยอะไรอา้าวในชายเลยที่ในในพระเจดีย์นั้นเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้ามีพระบรมสารีริกธาตุก็คือกระดูกน่ยพระอัฐิธาตุของพระพุทธเจ้านั้น 2,500 กว่าปีแล้วอีก 2,500 กว่าปีก็จะอันตรธานเขาเรียกพระธาตุนิพพานนี้พระธาตุนี้ที่เราไประลึกถึงเพราะอะไรพระธาตุนี้เคยเป็นที่ตั้งของพยานมากมายเคยจาริกทั่วชมพูทวี เคยไปประกาศหลักการของพระรัตนตรัยเริ่มตั้งแต่ได้ตัดสรุปสัมมาสัมพทธิญาณเนี่ยพระธาตุนี้ก็จาริกไปโปรดสัตว์จาริก18โยต์สองร้อห้ากิโลเมตรจากพุทธคยาไปที่สถานที่แสดงพระธรรมจักรกับพระวจนะสูตรที่ป่ายิสิปตนมฤคทายวันเคยเทศนาธรรมจักรกับพวจนะสูตรโปรดปัญญวัคคีทั้งหพร้อมทั้งพรนิ้พร อ, อีกสิบแโกดได้บรรลุเคยแสดงอนัตตะกนสูตรเคยแสดง อาทิตตปริยยสูตรเคยแสดงอนุบุพิกถาห้าจบลงด้วยอริยสัจสี่อีกมากมายนะแสดงสติปฐานสูตรแสดงสภาวสวัาสังวรสูตรอีกมากมายพระสูตรสองห 0,000 ื่นกว่าสูตรเนี่ยที่ทรงจาริกไปแสดงทั่วชมพูทวีปยังประชาสัตว์ให้ตัสรู้นับพบนับนับไม่ถ่วนนีนับไม่ถ่วนนี่เราไปเห็นพระคุณตรงนี้เราจึงไปไหว้ไปส ก, การะไปบูชาแล้วไปตั้งจิตอธิษฐานว่า ข้าพเจ้าก็จะฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้านี่แหละจะฝึกตนเองให้เข้าถึงความงามในเบื้องต้นทากลางและที่สุดให้เข้าถึงความเป็นพุทธะตามพุทธเจ้าออกจากความเป็นบุรุชนเข้าสู่ความเป็นอริยะตามพระอริยะบุคคลเหล่านั้นให้ได้เป็นต้นถ้าอย่างเนี้ยทําได้เหตุผลไหมทำได้ความรู้ความเข้าใจไหมหรือทํางมงายหรือไม่งมงายเราได้เป็นแบบนี้ไหม สมมติถ้าเราจะไปไหว้เทวดาไม่แปลกนะจะไปที่พักสารประการก็ได้เอาดอกไม้ของหอมไปบูชาบูชาเทวดาได้ไหมได้แต่ต้องเข้าใจนะไม่ได้ทําทแบบไม่เข้าใจเราบอกเออระ ล, ลึกถึงคุณความดีที่ท่านเป็นเทวดาดูแลสถานที่อะไรก็ว่าไปท่านเป็นผู้มีบุญใช่ไหมมีบุญก็คือมีอะไรมีหิริโอตปะมีศีลสุตตะจารค้าปัญญาท่านมีคุณธรรมเหล่าใด ด้วยการที่ข้าพเจ้าเนี่ยเอาดอกไม้ของหอมบูชาขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในการเข้าถึงคุณธรรมอย่างท่านแลวแล้วข้าพเจ้าจะฝึกให้เข้าถึงคุณธรรมความเป็นเทวธรรมเป็นเทวดาอย่างท่านด้วยถ้าอย่างงี้ก็ชัดที่ใช่ไหมล่ะไปแบบนี้ไหมเวลาไปบูชาก็ไปถึงโอ้ขอขอเป็นลูกด้วย เข้าใจงั้นถ้าไปก็ไปแบบนี้สิใช่ไหมเทวดาก็มีฮิริโอตสัมปัญญาไงเทวธรรมไงธรรมของความเป็นเทวดามีอยู่ใช่ไหมเทวตานุสติระลึกถึงคุณของเทวดาเทวดามีศรัทธาไหมมีเทวดามีศีลไม่มีเทวดามีสุตตะไม่มีเทวดาเทวดามีจารคาคือการให้ทานไม่มีเทวดามีปัญญาไม่มีงั้นคุณธรรมเหล่าใดที่มีอยู่ในเทวดาในเทวธรรมข้าพเจ้าจะฝึกตนเองให้เข้าถึงเทวธรรมเทวดาเหล่านั้นคุณธรรมความเป็นเทวดาเหล่านั้น ก็ขอบูชาท่านได้ของหอมดอกไม้เนี่ยว่างั้นเถอะทั้งนี้ก็ชัดที่ถ้าไปบูชาอย่างเงี้ยไม่งอไม่งมงายด้วยเข้าใจชัดเจนใช่ไหมเลึกถึงคุณของธรรมทีะตอนนี้เรามีไหมคุณธรรมความเป็นเทวดามีไหมไม่มีเลยเอ้ยไม่ได้แล้วต้องฝึกให้มีเทวธรรมในใจทั้งนี้ก็เป็นเทวะเทวตารู้สติได้ในพระศาสนาท่านสอนว่าทําได้แต่ขอยรู้เหตุผลและให้ถูกต้องด้วยอย่าไปคิดเอาเอง คิดว่าอ๋อเนี่ยเรามาหาพ่อพ่อจะได้ไปปกป้องคุ้มครองเราจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเราบูชาท่านเนี่ยท่านก็ดูแลเราเรื่องปกติอยู่อย่างไม่เบียดเบียนกันใช่ไหมเราเราไปแบบนี้ไหมเวลาไปบนไปเลไอ่ะถ้าพูดอย่างนี้พอจะชื่นใจนิดนึงใช่ไหม แล้วอ้าวอ๋อก็กูโยกมกับเทวดาก้มพวกกรุกกับเทวดาเทวดาที่อยู่บนพื้นแผ่นดินอยู่บนต้นไม้อากาศัตถาเทวดาเทวดาที่อยู่ในอากาศใช่ไหมภูมิมัทเธอเทวดาเทวดาที่อยู่ตามภพภูมิต่างๆเทวดาที่อยู่ตามบ้านเรือนทั้งหลายจริงๆคือเป็นอย่างนี้ยม แต่ก่อนเนี่ยคนเขาเนี่ยกลัวเทวดาใช่ไหมกลัวแล้วกลัวว่ากลัวเทวดาจะลงโทษเดี๋ยวพูดเรื่องนี้ยาวไปเลยเนี่ยก็ อ, <c oughs> อ, อย่างนี้เวลาเราไปปลูกบ้านเนี่ยใช่ไหมเราก็ไปสร้างสารพระภูมิให้เทวดาเพราะถ้าไม่สร้างแล้วเรากลัวเทวดาจะเบียดเบียนเราใช่ไหม แต่ในสมัยข้าพเจ้การเนี่ยพุทธบริษัทเขาไม่ได้สร้างสารพระภูมิเวลาเขาจะปลูกที่ปลูกทางอะไรทั้งหลายเลยเนี่ยเขาจะบอกว่าเทวดาอยากจะอยู่ตรงไหนก็อยู่โดยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ซุ้มประตูเทวดาเนี่ยเขาไปหาที่อยู่ของเขาเองไม่ใช่เราไปสร้างที่เล็กๆให้เขาอย่างนั้นหรอกเขาจะอยู่ตรงไหนก็ได้แต่ประเด็นคือต้องเข้าใจก่อนว่าที่ตรงนั้นเน่ยในฉนดเป็นชื่อใครชื่อใคร ชื่อใครยอมชื่อของยอมใช่ไหมมีตราประทับมีตราคุดบ่งบอกด้วยใช่ไหนางหรือนายอะไรก็ว่าไปนั่นคือเจ้าของไม่ใช่ที่ของเทวดาต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนสรุปแล้วระหว่างเรากับเทวดาใครเป็นผู้อาศัยใครเป็นเจ้าของเออเนี่ต้องให้ชัดตรงนี้ก่อนนะเออมันจะได้รู้มันจะได้รู้ว่าใครเป็นเจ้าของถ้าเทวดามา ทำทางยิ่เง่าเราก็เอานี่แหละเอาเอาชนโถดการให้เขาดูอย่ามืนอย่ามืนบอกเขาอย่างนี้ชั้นจะเป็นเจ้าของแต่พวกเราเนี่ยเป็นมืนไงเป็นมืนไปไปมาก็ไปหาว่าเขาเป็นเจ้าของซะนี่เนี่ยเราไปหาว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าของเราก็เลยไปขออยู่อาศัยเขาไอ้เทวดามันก็เฮ้ยสบายเว้ยงานนี้เข้าใจไหม ไอ้เจ้นี้มึนว่าอยากขนาดเลยกูก็ยึดคองเป็นเจ้าของซะเลยแต่นี้ก็กลัวเขาอยู่นันแหละแต่เนี้ยเอาอะไรไปเครื่องเส้นไปบูชาเขาขอให้ดูแลลูกช้างด้วยลูกช้างจะหาของดีๆมาให้แล้วบอกตัวเองเป็ลูกช้างด้วยเนี่ยเจ้าบุคุณว่นนั้นใช่ไหมเนี่ยกรณีแบบนี้เขามมืนแล้วพระเอชั่อไอ้อนาถาพิธิกาเสษถีอ่ะ ทำบุญทุกวันทุกวันทุกวันตอนนั้นสถานการณ์อาณาถาปินิกาเศรษฐียากจนมากเขาเรียวกว่าเศรษ ฐ, ฐกิจไม่ดีเหมือนปัจจุบันนี้แหละเศรษ ฐ, ฐกิจก็ไม่ดีการค้าขายไม่ดีการลงทุนไม่ดีทั้งหลายในการค้าขายเนี่ยขาดทุนเศรษ ฐ, ฐกิจก็ไม่ดีแต่อาณาถาปินิกาก็ไม่หยุดในการให้ทานนิมนุ์นพระเจ้าสาวโภคพระเจ้ามาวันละห้าร้อยลูปห้าร้อยลูกเทวดาก็เครียดทเทวดาที่อยู่ในบ้านเนี่ยไม่ชอบทําบุญอยู่แล้วเบื่อ เว ล, พลาพระมาแต่ทีมันต้องโดดลงจากประตูซุ้มประตูก็คอยมาบันนมมือเบื่อมันเนอะใช่ไหมล่ะเทวดา ม, มีศีลห้าเองอะอย่างดีก็ศีลแปดพระนีะ่พระปลาเข้าไปสองรอยยีสิเจ็ดสิกขาบทยังขันตก่าวัดมหาวัดอีกท่านมีข้อวัดปฏิบัติโอ้เจอคนมีคุณธรรมเจอคนมีบุญมามต้องโดดลงอจากต้องคอยโอ้มาทุกวันเลยอะ่ะไม่ชอบใจนะคนที่เป็นมิจฉาทิ่ีไม่ค่อยชอบใจหรอ ลองดูที่เนี่ยลองพามาที่นี่วันละห้าร้อ ย, ยอมก็เครียดกินกันนะ <c oughs> ใ ห, หม่ก็ตื่นตาตื่นใจโหโหมายวันละห้าร้อยโคตรเบือ่อเลยขอไปนะเบื่อ ม, มาวันแรกก็ตื่นเต้นอยู่พอมาวันที่สองพามาอีกแล้วห้าร้อยเหนื่อยไหมทีนี้เนี่ยเทวดาเริ่มเริ่มเริ่มเออเอาแล้วจังหวะนี้แหละดีที่สุดแล้วจังหวะที่ฐานหน้ายยากยากนาถาก็เริ่มให้ของที่เศร้าหมองกับคนทั่ ว, วไปแต่ของดีให้กับพระอยู่ มีอยู่วันหนึ่งเทวดาก็ไปปรากฏกายให้กับเลขาเลขาของอนาถาพิณิกาเศรษฐีอ่ะบอกว่าช่วยบอกเจ้านายหน่อยไปทําบุญเกินกว่าเหตุแล้วคนจะจนเงินขนาดนี้ทําไมไม่หยุดทําบุญหยุดนิมนต์พระพุทธเจ้าสาวพพุทธเจ้ามาสิสถานการมันจะได้ดีขึ้นในทํานองแบบเนี้เลขาของอนาถาพิณิก า, กาก็ตอบโต้ไปบอกว่าไม่ได่ไม่พูดหรอกนอกจากไม่พูดแล้วขนาดเจ้านายจะให้ไปเป็นลูกจ้างใครยังยอมเลยยอมแม้กระทั่งชีวิต ก็จะให้เจ้านายได้มีเงินมาทำบุญยอมทุกอย่างเอาไปก็ละเรื่องแล้วก็เลยไม่สามารถจะบอกัาเลขาได้ก็ไปที่หัวหน้าเลยเดยนียมีอยู่คืนหนึ่งก็เลยปรากฏไงตอนตอนเที่ยงคืนเนี่ยก็ปรากฏออกมาว่าท่านทำบุญเกินไปทำไมไม่หยุดทำบุญบ้างคนเขาเดือดร้อนกันรู้ไหมอาณาถาก็าเอ๊ะนี่ใครเนี่ย เ, เทวดาอยู่ที่ไหนอยู่ที่ซุ้มประตูบ้านท่านนี่แหละท่านว่าไงนะท่านหยุดให้ทานได้แล้ว จนกันขนาดนี้จะไปให้ทานอีกทําไมอนาถาก็ถามอีกคําที่สามบอกท่านว่าไงบอกว่าท่านนะ่ะคนหยุดให้ทานได้แล้วทําไมต้องมานิมนต์พระพุทธเจ้าสาวพรพุทธเจ้ามาด้วยนะคนจะลำ บ, บากกันทั้งบ้านแล้วยังไม่เห็นใจคนอื่นเขาดือนะเขาก็ถานาก็จะจนลงจนลงแล้วท่านจะอยู่ยังไงอย่างนี้เป็นต้นอนาถาก็ชี้ไปเลยวบอกว่านับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปให้ออกจากบ้านหลังนี้ไปเทวดาอยู่ไหวไหมเพราะอะไร พอเทวดาเป็นใครหล่ลนไล่ออกฉะนั้นถ้าอยู่ที่บ้านถ้ามีใครมาลบกวนเป็นอมนุษย์มาลบกวนในบ้านเรายอมจะทำยังไงหนดูหน้าหน่อยทีจะไล่เทวดา <laughs> จริงไหมเนี่ย อย่ามาลอกกวนฉันเลย <c oughs> ฉันกลัวแล้วนี้ปนเปล่าก็บอกเขาว่านี้อ่านให้เขาฟังใช่ในเนื้อที่หนึ่งร้อยตารางวาใช่ไหมนโฉนด ท, ที่ดินเลขที่เท่าไหร่เจ้าของคือก็นี้ฉันนี่แหละชื่อนี้บอกเขาเนี้ยงั้นเธอเป็นผู้อาศัยอยู่ เธอมารอบกวนให้ฉ้นเดือดร้อนเธอจึงไม่สมควรอยู่ในบ้านนี้ถ้าจะอยู่ในบ้านนี้ต้องเกื้อกูลซึ่งกันและกันเราอนุญาตให้อยู่ได้แต่ถ้าอยู่แล้วจะเบียดเบียนเราไม่อนุญาตนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเธอจงไปตามทางเถิดถ้าพูดอย่างนี้เขาอยู่ไม่ได้ก็าร้องไห้เลยเนี่ยเทวดาเนี่ยอนณาถาพิเิกาเศรษฐีพอบอกอย่างนี้ปุ๊บเทวดาร้องไห้อยู่ไม่ได้เลยวิย่งวุ่นเลยแต่เนี่ยนี่นี่เราไม่ไม่มีความไม่มีเวสาละชะ แปลว่าอะไรรู้ไหมไม่มีความกล้าหารไม่มีความกล้าหารเขา้าใจยังพูดอย่างนี้ยังต้ท่ากลัวไปนี่มันเป็นแบบนี้เขา้าใจยังนั้นเทวดาเขาเป็นผู้อาศัยเขาไม่ได้เป็นเจ้าของนั้นถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยก็เกื้ อ, อกูลกันดูแลซึ่งกันและกันไม่เป็นไรไม่เบียดเบียนกันก็จะนะหลักการคืออย่างนี้ นั้นเวลาพระเนี่ยเวลาพระเขาไปสวดมนต์ทำบุญบ้านเกิดปัญหาเรื่องอนมนุษย์เบียดเบียนทั้งหลายเขาจะพระเขาจะถามว่าใครเป็นเจ้าของอามาอามามานั่งตรงนี้แล้วพระก็สวดมนต์เพื่อจะให้เทวดานะี่ยมีจิตใจที่เยือกเย็นแล้วก็ให้รู้สถานภาพของตนเองวันนี้คือเจ้าของบ้านเขาก็อาศัยสินวงล้อมเนื้อที่ไหมเนี่ยแต่เราก็ไม่รู้ว่าพระทําทําไมพระทุกวันก็ไม่รู้ว่าทําไปทําไม แล้วอยู่ลําบากเลยแต่เนี้ยทั้งพักทั้งยอมเลยมืนบพอกันเลยแล้วก็ไม่บอกความจริงกันสัก ท, ทีแต่เนี้ยก็ไปแบบนี้จริงไหมงั้นเดี๋ยวนี้มวลท่านไหนมาทําบุญแถวนี้ดีไหม <c oughs> ท่านไหนจะได้ไปบอกยอมไม่เข้าใจอ๋อเป็นอย่างนี้โยอมยอมก็จะได้โอ้ต่อไปก็ไม่ต้องไปเกงกลัวอะไรใช่ไหมเพราะเราไม่ได้ไปทำอะไรอยู่ด้วยกันก็มีความรักปรารถนานเ อ, อื้อทอนถ้าอยู่กันแบบไม่เบียดเบียนกันก็เป็นแบบนี้แหละ พอเข้าใจอย่างแต่นี้ว่าจริงๆโดยหลักการจริงๆก็คือนี่พบมนุษย์พบมนุษย์เนี่ยเขาเอาเอาตราคุดของพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยเป็นเป็นใหญ่เนาะในประเทศนั้นๆในสถานการณ์นั้นๆ ใ, ในสังคมนั้นๆเขาจะมีกฎเกณฑ์ขอบเขตกติกาเทวดาทั้งหลายเขาก็อยู่พบของเขาสินี่เทวดาบางท่านเนี่ยต้องมาใสต้นไม้ในพบมนุษย์เป็นการสร้างวิมานทั้งหลายนี่ก็ต้องไม่เบียดเบียนก็อยู่ ก็แจ้งเจ้าของเขาแจ้งเจ้าของแล้วก็ขออนุญาตเออเนี่ยเป็นอย่างว่าเราจะขอโอกาสทำตรงนี้นะจะประกาศเจ้าของก็บอกโอเคฉันให้สิทธิ์เธออยู่ตามที่เธอเธ อ, เธอเช่าใช่ไหมล่ะแล้วก็ประกาศบอกยอมลำบากไม่ชีวิตเนี่ย รู้กับไม่รู้เนี่ยอะไรสําคัญกว่ากันใช่ไหมงั้นไม่รู้อย่าพึ่งขยันเข้าใจคํานี้ไหมไม่รู้อย่าพึ่งขยันยังไม่รู้เลยเนี่ยเขาให้ทําอะไรก็ทําไปเรื่อยเล ย, เยอย่าทําให้มันรู้เข้าใจก่อนจึงค่อยทําเช่นเวลามีคนบอกว่าอย่างเราจะไปเชียงใหม่เนี่ยไม่รู้ทางเลยขับไปแล้วขับรถไปแล้ว กรณีนี้เหมือนกันเขาบอกให้ไปไหว้ตรงนั้นเน่ยยังไม่รู้เลยไปแล้วทำไมไปอ่ะนั่นแหละเขาเรียกไม่รู้เขาเรียกไม่รู้ <c oughs> <c oughs> เอเอนนี้ฉันจะพูดเรื่องอะไรเนี่ยงงเลยพูดเรื่องอะไรน อริยาาสัจยังไม่จบเลยนะอริยาาสัจมีเท่าไหร่หนึ่งทุกสองสามนิโรธสี่จบไปได้ออยังเมื่อเช้าจบไปแล้วในการถึงพูดเรื่องกิจของอริยาาสัจเนาะเหตุผลในการที่เราจะเรียนรู้ในเรื่องของอริยาาสัจที่สำคัญที่สุดก็คือกิจในที่จะต้องทำต่ออริยาาสัจเรารู้ว่าทุก เป็นกิจที่ควรกําหนดรู้สมูทัยเป็นกิจที่ควรละนิโรธเป็นกิจที่ควรทําให้แจ้งมรเป็นกิจที่ควรเจริญใช่ไหมไอ้ตรงเนี้ยสำคัญที่สุดโรพะโทสาโมหะนี่เป็นอะไรเป็นทุกสมูทัยนิโรธหรือเป็นมรความโลภความโกรธความหลงเนี่ยเป็นอริยศัส์ข้อไหนข้อที่ไหนข้อที่เท่าไหร่เป็นทุกหรือเป็นสมูทัยหรือเป็นนิโรธหรือเป็นมร โลความโลภความกำหนัดความยินดีความกโกรธความเกลียดความเครียดความมัวเมารุ่มหลงเป็นอะไรเป็นทุกข์หรือเป็นสมุทยัยเป็นทุกข์หรือเป็นสมุทยัยนี่ทำท่างงแล้วเป็นทุกข์หรือเป็นสมุทยัยทุกข์คืออะไรคำว่าทุกข์เนี่ยเราเข้าใจไ้ยคืออะไรตาหูจมูกริ้นกายใจกระแสชีวิตนี่เป็นสัจจะอะไร เป็นทุกขสัจจะใช่ไหมควรกําหนดรู้ใช่ไหมคำว่าควรกําหนดรู้ในที่นั้นก็คือควรใช้ปัญญาไปวิจัยแยกแยะให้เห็นตามความเป็นจริงเช่นผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจทั้งหลายนี้เป็นสัจจะอะไรเนี่ยรูปธรรมทั้งหมดเนี่ยเป็นทุกขสัจจะกลุมความรู้สึกสุขทุกข์ทั้งหลายเป็นสัจจะอะไรก็เป็นทุกข์สัญญาคือความจําได้หมายรู้ก็เป็นทุกข์ใช่ไหมการปรุงแต่งในการเป็นบุญเป็นบาปทั้งหลายก็เป็นทุกข์การเห็น การเห็นการได้ยินการได้กลิ่นทั้งหลายนี่ก็เป็นทุกข์สัจจะเข้าใจไหมกระแสะชีวิตทั้งรูปธรรมและนามธรรมเนี่ยเนี่ยจะเป็นสัจจะอะไรบกเป็นทุกข์สัจจะและกระแสะชีวิตนี้ดําเนินไปได้เนี่ยทําไมกระแสะชีวิตเราจึงเกิดเวียนว่ายตายเกิดอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นเหตุหตทําให้เราได้กระแสะชีวิตนี้ในการเวียนว่ายตายเกิดรู้ไหมไอตัวสมุทัยไ ง, ไง ตัวตัณหานี่แหละตัวอวิชชานี่แหละตัวอุปาทานตัวเป็นสังขารตัวกรรมเนี่แหละที่นําให้เกิดอยู่ล่ําไปเนี่ยตอนนี้เป็นอะไรสมุ ท, ทยัยสมุทัยควรละหรือควรจเจริญโลภะโทสะโมหะควรละหรือควรจเจริญ<ะ>แต่พวกเราจเจริญหรือละล ะ, ละที่ไหนได้กโกรธกันอยู่นี่ไงเราไปเจริญผิดข้อเขออ้าใจยังมันควรจเจริญที่ไหนความโลภความโกรธความหลงเนี่ย แล้วก็พนันเน้าพนอเขาอยู่นี่แหละใช่ไหมล่ะเอาใครใช้ความโกรธในการดําเนินชีวิตบ้างเอาถ้าเราเราคุยกับลูกถ้าเราโกรธลูกลูกลูกยอมเราเนี่ยเราจะใช้อะไรถ้าใช้ตาถลึงมองทีไรมันยอมทุกทีทําไงแล้วก็ถลึงตามองไงถลึงตามองสามีไงพอสามีจะทําท่าจะฮึทัดหน่อยก็ใช้ตาคงขวางมองอันนี้ใช้อะไรใช้ไรข่มเขา ใช้โทสะไงใช่ไหมโทสะเป็นสัจจะข้อไหนสมุทัยนี่เราละหรือเราจเจริญผิดข้อหรือไม่ผิดเราควรไปทําข้อไหนเราควรไปทําข้อมาร์คน้นไม่ใช่ทาข้อที่สองแต่ชีวิตเราเนี่ยเรามาใช้โลภะโทสะโมหะในการดําเนินชีวิตเข้าใจยังเรามารันเจริญผิดข้อเราทํากิจในอริยศาส์ําผิดยังไม่เข้าใจกันอีกมั้งเนี่ยเข้าใจไหมเนี่ย หกว่าจะเข้าใจนี่เหนื่อยไหมยอมถามจริงยอมถ้ายอมไปเจอคนแบบนี้ยอมจะสอนยังไงอ่ะทายอมหนีเลยไหมกลับวัดดีกว่าจะมย ความโลภความโกรธความหลงใช่ความเห็นผิดทั้งหลายความคิดที่ไม่ดีทั้งหลายเหล่านี้เป็นสมุทยาสัจจะเป็นธรรมเป็นธรรมที่ควรละควรละควรประหารก็ เ, เรียกประหารตประธรรมเนี่ยประหารทิ้งละทิ้งแต่พวกเราเนี่ยไม่ยอมละนอกจากไม่ละแล้วเรายังมาเจริญซะอีกไปทำให้มันเกิดขึ้นแล้วเราเห็นประโยชน์มันอีกยกตัวอย่างเช่นเวลากินอาหารเนี่ย เราใช้โลภะเป็นตัวนาใช่ไหมอันไหนชอบเราถึงกินถ้าไม่ชอบกินไห ม, ไมแสดงว่าเรากำลังเจริญข้อไหนสมุทยาาาัยยะจ่าสมุทัยยะสจาเขาเป็นเหตุอะไรเป็นเหตุใ้ทุกไขมันก็เลยขึ้นจนทุกวันนี่ไงทุกไหมแล้วขึ้นไหมเบาหวานไขมันความดันโรคไตโรคตับที่มันมาเนี่ยเพราะอะไรไเพราะเรากินด้วยอะไรไกินด้วยตัณหากินด้วยโลภะ เพราะเราใช้ข้อไหนเป็นการดำเนินชีวิตสมุทัยสัจจามันควรละหรือควรเจริญแต่เราก็มาเจริญมันอยู่นี่แหละเขาจยังน่าช้ำใจไหมเนี่ยเอาเวลาฉันพูดอย่างนี้ฉันโกรธไหมถ้าฉันโกรธแปลว่าฉันกำลังเจริญข้อไหนสมุทัยสัจจาฉันเลยไม่กล้าไงจริงๆมันน่าโกรธไหม จริงๆมันน่ากรดนะแต่ฉันก็ไม่กล้าเจเริญอยู่ดีฉันก็กลัวฉันจะไปเจเริญสมุททีศสัจจะฉันก็เลยต้องไปเจเริญมากสัจจาก็ต้องใช้ปัญญาเป็นตัวนำเอาแล้วไม่เป็นไรสัตว์โลกเป็นแบบนี้แหละเริ่มเห็นนีอย่างตอนนี้ยเพราะเราไปทำกิจในอริยศาส์ผิดหรือถูกอย่างทุกขราส์เนี่ยควรอะไร ควรรอบรู้ควกกำหนดรู้แต่เราไม่เคยไปวิจัยเลยใช่ไหมปัญหาอุปสรรคทั้งหลายเหล่านี้เราไม่เคยไปแยกแยะไม่เคยเอาปัญญาไปวิจัยเราแต่เอาจิตไปรับกันอยู่เรื่อยเลยอย่างที่บอกไงแค่มองหน้าในกระจกเนี่ยเราก็เห็นกสิรระของเราทั้งหมดแล้วใช่ไหมพอภาวาระเนี่ยเราไปมองทีไรเราเครียดไหมถามยิงเครียดไม่เครียดไอ้เครียดเนี่ยแปลว่าเราไปทาวางท่าทีต่อทกผิดหรือถูก จริงๆควรยังไงควรชื่นใจยังไงควรเห็นด้วยปัญญาบอกว่าความแก่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมไอ้แก่เป็นแบบนี้จริงๆผมก็งอกศลีละก็โค้งงอผิวหนังก็เหี่ยวย่นในตาก็ฟ้ามัวหูก็อื้ออึงฟันก็หักใช่ไมทั้งผมขนเละฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยือ่อในกระดูกไตหัวใจตับปอด ไส้ใหญ่ไส้น้อยมันสมองมันสีระเหล่านี้มันเริ่มเสื่อมโทรมลงที ด, ดีโอ้โหนี่มันเป็นความจริงพอไปวิจัยอย่างนี้เป็นต้นแปลว่าใช้ปัญญาเข้าไปกําหนดรอบรู้อะไรรู้ทุกไงอย่างเงี้ยถ้าไปเห็นโอ้โหตายแล้วไอ้หงอกเต็มหัวแล้วเว้ยเครียดกินอีกแล้วไอ้ที่เครียดขึ้นมาเนะ่ยตอนนั้นเป็นอะไรโทสะไหมโทสะเกิดเป็นอริยาศาสข้อไหนคนละหรือคนเจริญ แล้วเราเครียดนะเราละหรือเราจเจริญตอนนั้นนะ่เะเราเจริญเรียบร้อยไปแล้วผิดข้ออีกแล้วทำไมไม่ไปเดินข้อสี่คือมารกแล้วเอาปัญญาเข้ามาวิจัยสิโหความจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระบรมศาสดาทรงตรัสว่าชลาทุกเป็นแบบนี้ความแก่งงอมของอินทรีความงอกของผมเส้นผม สลีละาที่โค้งงอตาที่ฟ้าฟางหูที่อื้อึอันนี้คือชลาปรากฏแล้วเนาะเนี่ยพระดำรัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงแท้ไม่แปรผลันพิตีเกิดไหมพิตีเกิดขึ้นมาแปวมักจเจริญหรือยังนั่นแหละข้อมักจเจริญแล้วทำไมไม่ทำแบบนี้ล่ะกู <c oughs> จะไปหาเงินที่ไหน <c oughs> โอ้โหมันขนาดนี้เลยมันต้องใช้กี่หมื่นวันมจะมันจะลบล่ะเห็นไหมว่าเราทากิจในอริยศาสตร์ผิดใช่ไหมทุกควรรอบรู้จริงๆมไหมไมรูปขันก็ควรไปใช้ปัญญาไปวิจัยไปแยกแยะเพราะเห็นตามความเป็นจริงนี่ก็ชื่นใจจิตใจมีความสุขเห็นทุกแล้วใจเป็นไงมีความสุขไหม อพอเห็นพอไปเห็นสามีป่วยเห็นพ่อป่วยแม่ป่วยลูกป่วยย่าปู่ตายายายเขาเจ็บป่วยเขาทรมานทั้งหลายถ้าเอากุใจเอาราคาโทรศัพท์โมฮาเข้าไปรับปุ๊บเป็นไงเครียดกินไหมเครียดทุกอันนี้เดินกิดในริยาศาสตร์ผิ ด, ดหรือยังต้องไปข้อไหนเอาปัญญาใช่ไหมเอาปัญญาเอาสติสัพชัญญาปัญญาเข้าไปพิจารณาถึงสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของท้องตน พุทธเจ้าบอกว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาพระตำรับของพุทธเจ้าจริงแท้ไม่แปรผันเห็นความจริงตรงนี้ขึ้นมาตื่นเต้นขึ้นมาเกิดปีติขึ้นมาตอนนั้นเดินข้อไหนข้อมักใช่ไหมไปเห็นพอไปจับแขนพ่อแม่ก็ปีติเกิดชื่นใจชื่นใจแล้วว่าไงต่อหัวล้อขึ้นมาเดี๋ยวนั้นเลยไหม ชื่นใจว่าเห็นความจริงเห็นความจริงโอ้นี่ความแก่ปรากฏจะเห็นเราก็ไม่พ้นจากความแก่เราก็ไม่พ้นจากความเจ็บไข้เราก็จะไม่พ้นจากความตายเห็นความจริงนี้วางท่าทีตังใจถูกอยังเดี๋ยวนี้ยตอนนี้ไปเดินข้อไหนแล้วข้อมาร์กจริงไหมนี่เห็นทุกข์แล้วใจเป็นสุขเห็นทุกข์แล้วใจเป็นสุขเห็นอุปสรรคปัญหาขึ้นมาแล้วมันตื่นเต้นทุกทีเลยเห็นความจริงของชีวิตใช่ไหมไม่ใช่เห็นทุกข์แล้วท้อเครียดกลุ้ม เป็นแบบนั้นไหมที่ผ่านมาเอาพอมีคนโทรมาบอกไฟไหม้บ้านแล้วมีความารู้สึกยังไงจิตหมดแล้วงานนี้มีเจ้าวาดรูปหนึ่งนะ ไฟไหม้สาราพอมีคนบอกว่าไฟไหม้สาลาแล้วท่านลุกขึ้นมาเดินสุดลงไป <c oughs> โอ้ซุดเลยโอ้โหหมดเป็นลมเข้าโรงพยาบาลเลยนี่ท่านทํากิจตุกทุกถูกไหมจริงๆคนเป็นยังไงคนวางท่าทีทางใจงไงตอนนั้น <c oughs> เออมีเศรษฐีคนนึงไปสร้างกุฏิถวายพระพุทธเจ้าถวายสาวพรพุทธเจ้าเนี่ ได้คนนึงมันเกลียดเศรษฐีคนนี้มากเลยไฟไปเผาแล้วมีคนไปบอกเศรษฐีเศรษฐีก็ลุกขึ้นมาตบมือดีใจว่าจะได้สร้างใหม่เอ <c oughs> อย่างนี้แสดงว่าเขาเป็นไหมอย่างเราเอาไปสร้างกุฏิถวายพระพอจะกลับมามีคนเอาไฟไปเผาแเราจะมีความสึขไง <c oughs> เห็นไหมวิธีคิดต่างกันหมดเลยอะ่ะเพราะเราเขาระวางใจต่อทุกต่อปัญหาผิดพลาดหมดเลยนะเขากับชื่นใจว่าเขาจะได้ทําใหม่ อะว่าหลงไปจากนี้สักพักหนึ่งมีคนมาเผาที่ตรงนี้ยอมจะชื่นใจเลยไหมบอกยอมนิกเลยชื่นใจเหลือเกินจะได้สร้างใหม่ซะทีรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยใช่ไหมล่ะโอ้โหเราก็ได้มีการรวบรวมปัมจจัยสร้างใหม่โอ้มีความสุขเลยแตเนี้ยจริงไหมจริงไหมจริงไงฉันพูดผิดไหมเนี่ย เอาไปเครียดไปก้มไปทกไปวิตกกังวลกลายเป็นกลายเป็นวางท่าทีตะทกผิดจริงๆนะใช่ไหมก็ความจริงมันปรากฏอย่างนี้ก็เข้าใจความจริงแล้วปฏิบัติต่อความเอาประโยชน์จากความจริงสิอย่างยกตัวอย่างเช่นเราเห็นพ่อแม่ป่วยหนักอาการแย่แล้วอันคือความจริงใช่ไหมคือพยาธิทก ทุกคือโรคภัยไข้เจ็บไปเบียดเบียนกระแสชีวิตเบียดเบียนเพื่อพยาธิเนี่ยก็คือเบียดเบียนบีบคั้นกระแสชีวิตให้ไปเข้าสู่ความตายในที่สุดก็เรมรณะภัยใช่ไหมในขณะที่เราเห็นความจริงเนี่ยเห็นธรรมชาติความจริงเหล่านี้มันเบียดเบียนไปเรื่อยๆจากความแก่เบียดเบียนไปสู่ความเจ็บจากความเจ็บก็เบียบเบียนบีบคั้นชีวิตประชาราษฎรทั้งหลายไปสู่ความตายใช่ไหมมันเหมือนอะไรเหมือนภูเขา หินสี่ลูกมันกลิ้งลงมามันกลิ้งกิ้งมาจากทิศทั้งสี่ธรรมดาหมู่ศาตว์ทั้งหลายอ่ะมันจะหนีไปทั้งไหนอ่ะมันหนีไม่ได้ไอ้เกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายเหล่าเนี้มันเป็นความจริงของชีวิตไงต่อให้คุณวิ่งหนีไปอยู่ซอกไหนมุมไหนมันก็หนีไม่พ้นเมื่อความแก่ทับถมมาแล้วมันถูกทับแล้วถูกก้อนหินคือความแก่ทับแล้วมันก็คือแก่เมื่อถูกก้อนหินคือความเจ็บไข้มันทับก็คือ ก็เจ็บไขแ้แล้วแล้วไหนสุดจริงก็ทับก็ตายมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้เนี่ยอันนี้ใช้ความจริงไหมเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยใช่ความจริงเป็นธรรมชาติใช่ไหมธรรมดาก็คือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ก็เป็นอนัตตาเนี่ยการที่เราไปเข้าใจความจริงเนี่ยเขาเรียกว่าหนึ่งธรรมชาติสองธรรมดาสธรรมจริยาธรรมจริยาการปฏิบัติต่อความจริงนั้นถูกต้องมีปัญญาที่เข้าไปรู้ความจริงนั้น มีสติสมัมปชัญญะกำกับอยู่กับตัวไม่ฟั่นเฟือนไม่เลือนหลงเห็นความจริงในข้อนั้นแล้วการที่เราไปเข้าใจความจริงเห็นความจริงอย่างนี้ด้วยญาณปัญญาอย่างถ่องแท้เนี่ยมันมาจากอะไรเนี่ยมาจากธรรมเทศนาที่เราฟังมาอย่างดีใช่ไหมเรามีคําสอนของพระพุทธเจ้าฟังมาอย่างดีแล้วเราก็เลยไปมนานัิการแล้วก็เห็นตามที่พุทธเจ้าบอกไว้พอเห็นความจริงอย่างนั้นตอนนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าเราเดินอะไรเนี่ยเดินมรรคสัตว์เห็นความจริงอย่างมั้น มันเห็นยากนะความจริงแบบนี้งั้นพอเข้าไปเห็นความจริงอย่างนี้ปุ๊บก็เลยวางท่าทีทางใจตอนนั้นจิตเป็นสุขไหมเป็นไม่เป็นเห็นทุกข์แล้วใจเป็นยังไงเฮ้ย ห, หัวถูไม่ใช่แล้ว <c oughs> ถ้าหัวถูแปลว่าอะไรนะแปลว่าสมุทยสจัจจะเราไปเดินข้อข้อเก่าสมุทัยเป็นเหตุของทุกข์นี่เราไปเดินผิดข้อนะงั้นยอมต้องไปไปท่องใหม่ ทกเป็นกิจที่ควรรอบรู้ควรกำหนดรู้สมูทัยเป็นกิจที่ควรละควรประหารควรกำจัดนิโรธเป็นกิจที่ควรทำให้แจ้งควรรู้ถึงมรรคเป็นกิจที่ควรเจริญทกต้องรอบรู้สมูทัยต้องละทิ้งนิโรธต้องรู้ถึงมรรคต้องลงมือทำใช่ไหมแค่นี้หลักการมีแค่นี้ทกต้องอะไร รอบรู้สมูทัยต้องละทิ้งนิโรธต้องล้ถึงมรรคต้องละทิ้งอะไรลงมือทำต่อไปต่อต่อไปฉันจะสมาทาน เวลาใครจะมาฟังธรรมะฉันจะคัดอายุดีกว่าชอ่ไหดีไหมรับสมัครตั้งแต่อายุเท่าไหร่ดีแต่บางคนอายุยืนเนี่ยยอมที่สอนพิธรรมเนี่ยถึงแม่อายุยืนยังความจำดีอยู่เนี่ยใช่ไหมละ่ะเออเอาอายุก็ไม่ได้อีกเว้ยต้องเอาอะไรเนี่ย ฉันถึงบอกไงบอกว่าโยมนึกถึงคำสอนของพุทธเจ้าเหมือนอะไรเหมือนเราอยู่ในบ้านโอมอยู่ในบ้านเนี่ยที่บ้านของโยมเนี่ยโยมเอาของวางไว้ตรงไหนโยมต้องท่องไหมเอาเอาเงินไว้ที่ไหนยังนึกเห็นอยู่ไหมเนี่ยเอาทองไว้ที่ไหนเอาเพชรไว้ที่ไหนเอาเสื้อผ้าไว้ที่ไหนเอากับข้าวนั้นวางไว้ที่ไหนทำไมเราจำได้หมดทั้งๆโยมไม่ได้ท่องเลยอะ เพราะอะไรเอะไม่ใช่หรอกพยอมคิดถึงเขาบ่อยๆนี่ยอมเอาทุกไว้ที่ไหนเอาสมูทไทยไว้ที่ไหนอันนี้โรดไว้ที่ไหนเอามารคไว้ที่ไหนไม่รู้เรื่องเลยดีเยนีย้ยอมไม่คิดว่ามันเป็นบ้านของยอมไงถ้ายอมทำเป็นเหมือนบ้านของยอมเบเสียดปุ๊บเนี่ยมันก็จะระลึกได้หมดนั่นแหละเหมือนนอามาเนี่ย าอ้ามาไม่ไอ้ไม่เอาพระไตรปิฎกเหมือนบ้านเขาเอามาเนี่ยามาจะไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ยมามองเลียญโอ้นเนี่ยวินัยยาปิฎกตั้งแต่เล่มหนึ่งถึงเล่มแปดเนี่ยนะพระสุตตันตปิฎกตั้งแต่เล่มเก้าถึงเล่มที่เท่าไหร่เนี่ยพระสุตถึงยี่สิบห้าเอาพิธามปิฎกตั้งแต่ยี่บหกเป็นต้นไปเนี่ยถึงเล่มสี่สิบเนี่ยอามาก็รู้ว่าสูตรเนี่ยนะอย่างอย่างทีฆนิกายเนี่ยนะมีสามสิบสี่สูตรเนี่ย หรือแต่และแต่และ ว, ว่าได้สูตรอะไรบ้างในในพรหมชาลสูตรเป็นสูตรแรกเป็นต้นเหล่าเนี้ยแปลว่าอามามองว่าในพระไตรปิฎกคําสอนพระเจ้าเป็นบ้านของอามาไงอามาก็จะหยิบวางตรงไหนตรงไหนมันก็เห็นหมดใช่ไหมนิยมไม่เคยยมไม่ได้นึกว่าเป็นบ้านของยมนี่อามาเนื้อว่าเป็นบ้านยังไงอามาก็มองเห็นตลอดก็ระลึกตลอดว่าอันนี้วางตรงไหนสูตรนี้วางเรื่องอะไรเรื่องอะไร อามาจะกล่าวเรืเ่องอะไรมาก็นึกนึกนึกนึกได้หมดเพราะอามาคิดถึงบ่อยๆเขาใจะยังแล้วมันการดําเนินชีวิตอาตมาก็ใช้ศีลสมาธิปัญญาเป็นหลักในการดําเนินชีวิตเนี่ยอามาก็ไม่ลืมไงก็ทําเหมือนบ้านที่โยมทาเหมือนบ้านของโยมอะใช่ไหมทุกถามว่าทุกเนี่ยมันเรียนเรียนนอกตัวเราไหม ทุมันอยู่ที่ไหนมันอยู่บนฟ้าอยูนทิศเหนือที่ใต้ตะวันออกตะวันตกแล้วมันอยู่ในกระแสชีวิตนี้มันก็อยู่ในขันทภาระนี่แหละขันห้านี่แหละกระแสชีวิตนี่แหละแล้วสมุทัยอยู่ตรงไหนมันก็นี่ไงกระแสชีวิตที่มันเกิดมาได้ก็เพราะราคะโทสะโมหะนี่แหละเป็นสมุทัยนิโรธนีะคืออะไรก็คือการดับขันห้าดับสมุทยาสจ่าได้เป็นนิโรธใช่ไหมมรรคอยู่ตรงไหน มัรก็ต้องทําอยู่ในกระแสชีวิตใ ห, ให้เกิดขึ้นสิ ท, สทําสัมมาทิฏฐิเป็นต้นให้เกิดขึ้นในกระแสชีวิตก็เป็นมารใช่ไหมถ้าเข้าใจอย่างนี้เสียาการเรียนธรรมะจะยากไหมมันจะไปยากได้ไงมันเรียนเรื่องเรื่องกระแสชีวิตเราโดยเฉพาะไม่ไปเรียนที่อื่นเลยนะแล้วเราใช้ประจํำด้วยนะโลภะโทสะโมหะเนี่ยใช้บริการเขาดีดีใช่ไหมลราจะกินอาหารก็ใช้โลภะโทสะโมหะ เวลาจะมองไปที่ลูกที่สามีที่ภรรยาที่ญาติมิตรก็ใช้โลภะโทสะโมหะเป็นตัวขับเคลื่อนในการมองเวลาจะฟังดูหนังวังเพลงไงเป็นโลภะโทสะโมหะไหมอู้ยมใช้บริการทุกวนันใช่ไหมล่ะเป็นธรรมะที่ยมเจริญหรือที่ยอมละ <c oughs> ก็ยอมเจริญไงมันถึงมันถึงทกมันถึงเกินกราดอย่างเงี้ยปัญหามันถึงเยอะแยะหมดใช่ไหมนี่ชีวิตจริงของยอมไหมเนี่ยเป็นชีวิตจริงๆเลยเอางี้ยอมจะไปกินอาหาร อาหารอันนี้มันเกิดยินดีมากอยากจะกินมากอาหารนี้ไม่อยากจะกินเลยแต่มันเป็นประโยชน์อันนี้มันไม่เป็นประโยชน์แต่ชอบมากยอมจะตามใจใครตามใจปัญญาหรือตามใจโลภะห้ามบอกว่าตามใจปัญญานะถ้าอย่างนั้นหุ่นไม่เป็นแบบนี้หรอกใช่ไหมล่ะไม่เป็นอย่างนี้แน่นอนใช่ไหมล่ะจริงไม่จริงอัน ยอมหน้าหนักใจไหมยอมว่าอย่างนี้อย่าแปลกใจว่าสมุทยรย่าสจักรจึงจเจริญทุกขสจัจจะเขาเฟืองฟูเพราะยอมมีแค่สองสจักเองฉันมองที่ยมเนะี่ยมีแค่กระแสะชีวิตยมมีแค่สองสจักรนะทุกขสมุทรไทยยอมไม่ได้วางจุดหมายไว้ที่นิโรธเล ย, ยอ่ะยมไม่ประกอบแต่ละวันแต่ละวันโยมไม่ประกอบมรรคสัจจะเลย ย, เล ย, ยอมอยู่กันแค่สองสจักรยังไงหนะ้าเศร้านะ หนึ่งยมมีทุกขสัจจะกับสองยมกำลังประกอบสมุทัยสัจจะกันทุกวันเลยวันนี้ประกอบโลภะประกอบโทสะประกอบโมหะประกอบโมนะมานาทิฏวิจิขาหินิการโนตระอุทจจะโอ้ยมประกอบกันใหญ่เลยเนี่ยประกอบสมุทัยสัจจะเพื่อจะให้ได้อะไรได้ทุกขสัจจะยมได้สองสัจจะกันเองนะเนี่ยถ้าใครถามว่าอริยสัจมีเท่าไหร่มีสีแล้วเกิดในกระแสชีวิตของโยมได้กี่สัจจะได้สองคือทุกขสมุทัย นีโลดอะไรยังไม่เคยวางเป้าหมายไว้เลยอย่างที่วางเล่ น, เลนๆเลยเวลาไปถวายทานแกี่หลายที่ว่าอะไรเนะี่ยสุทินนางวัตเมีทานนางอาสวะขยาวหังนิพพานพัะพิยโยโหตหุการให้ทานในครั้งนี้ขอให้เป็นปัจจัยการสิ้นอาสวะกิเลสมีนิพพานไปดีไ ป, ไปยมก็ท่องไปงั้นแหละพอเสร็จปุ๊บยมก็ไปประกอบสมุทยมัยสัจจะตามเดิมใช่ไหมเป็นมันเกินแค่พิธีกรรมไงยมเคยสังเกตไหมถามว่า จริงๆยอมอยากนิพพานกันจริงไหมถามยอมจริงๆถ้าท่านอยากอยากนิพพานไหมถ้าบอกว่าเจ้าบอกคุณบุญที่ข้าพเจ้าฟั ง, ฟงธรรมะมาในวันเนี้ขอจงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าจงอย่าได้ผุดได้เกิดเลยยอมเอาไหมเอาไหมอ่ะเอาไม่เอ า, เอาโอ้โหไม่ไหวนิพพานท่านดุริแรงเกิน มันสะเทือนความรู้สึกนะใช่ไหมโอ้โห oh, ไม่ได้ผดได้เกิดถ้ามีใครด่ายอมมาขออย่าได้ผลได้เกิดยอมโกรธหรือยอมดีใจใ จ, จริงเหรอสาทุเลยไหมงั้นให้พระไายแบบนี้ยอมเอาไหยอมนี่เห็นไหมว่าจริงๆแหละยอมไม่ได้ตั้งจุดหมายที่นิโรธาสจากคือนิพพานกันจริงๆและไม่ได้ประกอบมรรคสัจจ คืออย่างนี้ขั้นอุป ม, มาว่าฝั่งนี้มันมีภัยมันมีภัยมากมีมหันดภัยมากมายเบียดเบียนแต่อีกฝั่งโน้นน่ยมันปลอดภัยคําว่าฝั่งโน้นปลอดภัยนะก็เป็นชื่อของพระนิพพานนะมันปลอดภัยคนที่ฉลาดเมื่อเขาเห็นว่าพรฝั่งนี้มันมีภัยฝั่งนี้มันมีภัยแต่อีกฝั่งหนึ่งมันปลอดภัยเนี่ยเขาจะทํำยังไงเขาก็แสแวงหาไง หาไม้หาเชือกหาย้าหาอะไรต่างมาทำอะไรดีทำเป็นแพทำเป็นเรือเขาผูกเรือผูกแพต่อเรื อ, พ, อพร็อพแพทำให้มั่นคงเบ็เสร็จปุ๊บเขาจะได้นั่งเรือและแพนี้ออกจากฝั่งนี้เขาถึงฝั่งโน้นที่มันปลอดภัยเขาคิดกันอย่างนี้ใช่ไหมล่ะแล้วเราล่ะเราเห็นว่าในภพภูมิในกระแสชีวิตทุกกระแสชีวิตมันมีภัยหรือมันปลอดภัยนิพพานนี่ปลอดภัยไหม นิพพานเนี่ยปลอดภัยใช่ไหมแล้วเราประกอบมรรคใช่ไมตอนนี้ตอนนี้เราทำสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นได้จริงหรือยังความเห็นชอบเห็นถูกต้องเห็นในอริยรสัจสัมมาสังกปะาเวลาดําริลีเนี่ยาวันหนึ่งวันหนึ่งยอมดําริลีไปหากามมาคุณหรือดําริลีออกจากกรามยอมดําริลีในการให้กับดําริลีที่จะเอายอมอันไหนมากกว่ากัน นี่ก็รด âm ฤิหากรามเนะืดําริในการที่จะเครียดทกโกรธกับดําริเมตตาเนี่ยยอมดําริไปทางไหนมากกว่ากันเห็นใครพบยอมเมตตาวิ่งพุดธพุทธในใจเลยไหมเห็นคนแล้วหงุดหงิดง่ายกับเมตตาเกิดอันไหนมากกว่ากันเห็นไหมยอมก็ดําริในการกโกรธในการในในใ น, ในโทสะมากกว่าและด âm ฤทิในการเบียดเบียนคนอื่นกับการดําริกรุณาเขาเนี่ยเห็นไหมไอ้ดํารทธิในการออกจากกรามก็น้อย ระหว่างสมาัาามมาวาจากับมิจฉาวาจายอมกล่าววาจาแบบไหนมากกว่ากันจริงๆยอมพูดเท็จบ่อยไหมพูดสอเสียดบ่อยไหมพูดเอาเรื่องคนนั้นมาเล่าให้คนนี้ฟังเรื่องคนนี้มาเล่าให้คนฟังทาให้เขาขัดเกืองกันนี่บ่อยไหมเวลาเครียดแล้วพูดเนี่ยบ่อยไหมเวลาโกรธขึ้นมาก็พูดเป็นชุดเลยบ่อยไหมนี่เขาเรียกพูดด้วยคำหยาบนะ ใชไหมล่ะเ ว, วลาเราโกรธสมมติเราเราโกรธลูกอ่ะแล้วก็บ่นลูกบ่อยไหมไม่ไม่ไม่โกรธเคยเคยโกรธคนไข้ไหมโกรธแล้วเราก็พูดใหญ่เลยพูดไม่หยุดเนะี่ยฉันจะเล่าให้ฟังนะพยาบาล น, นี่แหละฉันไปมาฉันจะเล่าตัวเช้นเจนไปฉันไปฉันไปเจาะเลือดเจมั้ยพยาบาลเจาะฉันไปที่โรงพยาบาลจุฬาอในโรงพยาบาลจุฬาเนี่ย วันนั้นอ่ะคือฉันจะต้องไปเจาะไอ้แบบเขาจะต้องมอีเขาเรียกขวดพิเศษอะไรเขาเนี่ยในกรณีการเจาะเลือดเขาจะต้องเอาไปอพอเชือ้อมันใช้ใช้ขวดธรรมดาไม่ได้ใช่ไหมทีนี้ฉันก็พยาบาลเาก็บอกให้ไปติดต่ออีกห้องแลกห้องหนึ่งฉันจะได้ขวดมาฉันไปแล้วเขาบอกไม่ได้ พอไม่ได้เวดเสร็จก็บอกมาบอกพยาบาลพยาบาลเขาก็ให้ใครไปก็หูทั้งหลายรอบ ก, ก็ไม่ได้นะพอได้มาแล้วพยาบาลก็โกรธมากไอ้เขาโกรธไอ้คนเนี้ยแต่เขามาลงที่ฉันเนี่ยไอ้ตอนไอ้ตอนเขาเจาะเลือดแล้วเขาก็พูดตําหนี่เอวว่าไอ้เจ้าหน้าที่คนเนี้ยไอ้ฉันก็ยิ้มยิ้มอยู่เพราะเจาะพวดเข้ามาแล้วแต่เนี่ยโหเขาก็คง เขาก็บ่นแล้วเขาก็ด <dances> ูดเลือดแล้วฉันก็บอกว่าฉันก็เอ๊ะจะทํำยังไงดีว่าฉันก็นึกถึงคําว่าสมานตาตาทํายังไงจะพูดให้คนมันหายเครียดฉันก็บอกยอมอย่าไปว่าเขาเธออ้นี่ไหมพอฉันพูดแค่นี้เขาไม่ได้ขึ้นโอ้ยเรียบร้อยเลยตอเนี้ยไอ้ไม่ได้มันไม่พอไอ้เข็มมันเริ่มดิ้นแล้ว โอ้ฉันลโอ้โหฉันก็เลยต้องเฉยเลยเดีนี้โอ้โหไม่ไหวแวก็บ่นทั้งว่าทั้งอะไรสรารพัดเลยพุษสวา่าออกมาเยอะแยะมันงานนั้นก็ผ่านไปได้วยความ <laughs> โอ้โหเป็นความตื่นเต้นอย่างมากเลยพอเสร็จแล้วแต่เนี้ยพอเห็นโยมเขาเริ่มสงบเด็ดเสร็จหลังเจาะเสร็จแล้วนะตั้งห้าหกนาที พอจะกราบฉันก็เลยบอกว่าที่ฉันพูดอย่างนี้ฉันไม่ได้ไปห่วงเลยยอมแต่จะนห่วงยอมจะเสี่คนเราคุมตัวเองไม่อยู่คนบางคนเวลาโกรธแล้วสั่นทั้งตัวเคยเป็นัหยโย่แบบหยุดตัวเองไม่ได้เลยมันไปเลยเป็นไหยพวกเราเป็นบ้างไหมไหนยกมือที่ใครเป็นบ้างโอ้ฉันจะได้อยู่ไกล โอ้โหขนาดนั้นเลยโอ้โหสมุทัยยะสจากของยอมรุนแรงดีจังเนาะอันนี้ทกนี่ตามมาเยอะจังเลยเนี่ยโอ้มันขนาดนั้นเลยเนาแล้วแล้วแก้ได้ยังไงวิธีการ อ๋อ oh, เป็นอย่างนั้นเลยจริงๆเขาไม่เขาไม่ได้แก้ได้ด้วยการทำสมาธิี่อ๋ออ๋อทอย่างนั้นเลยอ๋อ oh. วิธีการคือเขาอย่างนี้เขาให้พิจารณาก่อนพิจารณาก่อนเขาบอกว่า โทสะเนี่นเป็นหนึ่งในนิวรธรรมในหมวดในนิวรณบัปเนี่ยโทสะเนี่ยจะเกิดขึ้นโดยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นใช่ไหมล่ะก็หมายความว่านอกจากรู้โทสะแล้วก็รู้เหตุรู้ลักษณะของโทสะด้วยรู้ว่าโทสะเกิดขึ้นมาแล้วเขาทำกิจอย่างไรเป็นต้นด้วย แล้วก็รู้ผลปรากฏของโทสะว่ามันมีอาการปรากฏเกิดขึ้นมามีให้ผลอย่างไรเป็นต้นด้วยเรารู้เหตุใกล้ของโทสะด้วยอะไรเป็นเหตุใกล้ของโทสะกลุ่มอาคาแต่วัตถุ10ิ ป, ประการเป็นต้นเหล่านี้คนที่ต้องการอยากจะให้โทสะเกิดคิดแบบไหนเขาก็คิดไงว่าคนคนนี้ทเคยทำความเสียหายกับเราคนคนนี้กาลังทาความเสียหายให้กับเรา คนคนนี้จักทำความเสียหายกับเราคิดแบบนี้โทระมาทั้งนั้นคนคนนี้เคยทำความเสียหายกับคนที่เรารักคนคนนี้กำลังทำความเสียหายคนที่เรารักคนคนนี้จักทำความเสียหายกับคนที่เรารักคนคนนี้เคยทำประโยชน์ให้กับคนที่เราเกลียดคนคนนี้กำลังทำประโยชน์ให้กับคนที่เราเกลียดคนคนนี้จักทำประโยชน์ให้กับคนที่เราเกลียดต้องคิดอย่างนี้เรื่อยๆที่โยมมนตสการนี้เรื่อยๆอะไรเกิดโทรศ์นี่เขาเรียกให้อาหารของ โทสะแล้วก็ฝึกหงุดหงิดให้ง่ายๆพอเห็นอย่างเนี้ยอากาศร้อนก็หงุดหงิดอากาศหนาวก็หงุดหงิดเห็นหน้าคนก็มองแต่จุดด้อยคนมากๆฝึกวิธีคิดแบบเนี้ยดูมันทำหน้าที่ดูมันนั่งเนี่ยยอมลงเนี่ยนึกให้เกิดโทสะก็ได้ดูดูมันนั่งแต่ละคนดูที่เนี่ยเนลองลองคิดไปดูสิดูที โสดก็ไม่รู้เรื่องฟังก็ลืมอเลยก็ไม่รู้น่าเกลียดเหลือเกินเนี้ยคิดไปเรื่อยๆยอมคิดไปทีบาทีเรื่องอื่นนะจำแม่นเหลือเกินเนี่นะไอเรื่องที่สามีไปทําอะไรผิดมาตั้งชาติที่แล้วยังขุดมาคิดได้จําได้ไเรื่องธรรมะกับจําไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยลองยอมคิดอย่างเงี้ยแย่จริงๆทําไมในหัวมีแต่ขยะเต็มไปหมดถ้าคิดอย่างเงี้ยโกรธไหมมันจะโกรธทันทีเห็นไหมมันมีวิธีการคิดอย่างนั้นก็เรียกให้อะไรให้อาหารของใคร อยากมีโทสะเยอะๆก็คิดแบบนี้กลับไปคิดให้เยอะๆเลยนะแล้วโยมจะกลายเป็นคนหน้าหงิกหน้างอแล้วหนักเข้าหนักเข้าความดันโลหิตก็จะสูงแล้วต่อไปจะตามมาด้วยโรคหัวใจคิดมากๆมากๆเดี๋ยวเส้นเลือดหัวใจก็จะแตกใช่เส้นสมองก็จะแตกเนี่ยมันมีวิธีการง่ายนิดเดียวจะให้โทสะเกิดใช่ไหม เวลาจะคิดไม่ให้โทสะเกิดจะคิดยังไงอะคิดยังไงดีอะคิดยังไงอ่ะอาคิดยังไงเวลาคิดจะไม่ให้โทสะเกิดจะคิดยังไงเมื่อสักครู่ที่ว่าคิดว่าเขาเคยเขาเคยทําความเสียหายกับเราเขากําลังทําความเสียหายกับเราเขาจักทําความเสียหายกับเราคิดอย่างนี้เป็นโยนิโสหรือเป็นอาโยนิโสเป็นการใส่ใจผิดหรือถูก เป็นการให้อาหารของโทสัตทีนี้ถ้าเราจะคิดให้เกิดเมตตาในบรรดาคิดให้เกิดเมตตาเป็นมารกองคไหนในบรรดามาร์กแปดเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะสัมมาวจาจาสัมมากรมตะสัมมาชีวะสัมมาวิมารสัมมาสติสัมมาสมาธิเราจะใช้ข้อไหนสัมมาสังกปร์ไงดํารีถูกใช่ไหมก็ดํารีออกจากพยาบาทดํารีออกจากพยาบาทคิดยังไง ก็คิดเมตตาเขาคิดเมตตามันต้องมองอะไรดีมองจุดด้อยหรือจุดเด่นเอาเห็นคนบางคนเนี่ยเขาเป็นคนเป็นคนที่สมมุติว่าเขาทำหน้าหงิกหน้างองเงี้ยแล้วจะคิดยังไงไ อ, อ้เจ้านี่เห็นหน้ามันทีไรมันทำหน้าหงิกๆงอกเงี้ยแล้วคิดให้เกิดเมตตาได้ไหมอะยอมคิดยังไงอะ ไม่กลับไปบ้านพราะเห็นสามีหน้าบึง้งง้อหน้าบอกบุญไม่รับเลยเอาเราจะทําไงเราจะคิดยังไงอ่ะเอาความจริงที่เราเห็นเนี่ยเราเราจะไปคิดยังไงอ่ะคิดให้เมตตาเกิดทําไงดีเพื่อนการเจอหน้ากันคุยกันยิ้มแย้มแจ่มใสพอมาวันนี้มันหน้าบึ้งใส่เราตาถลึงใส่เราเลยเราจะทํายังไงจริงๆในชีวิตเราทำยังไงอย่างนี้เราเจอเคยเจอใช่ไหม ทักกันทุกวันเลยมาวันนี้ไม่ทักเลยเว้ยมันทําปึ้งปังป้งปึ้งปังใส่เราด้วยอยอมทําไงต่อไม่ที่ที่ทยมเคยใช้มาที่ผ่านมาไม่จริงโดยมากไม่จริงไงยอมไหมไม่คุยก็ไม่คุยเว้ยเรื่องอะไรองอใช่ไหมล่ะเรื <laughs> ่องข้อที่จริงเป็นแบบนี้โกรธมาก็โกรธตอบถลึงตามองมาก็ถลึงตาตอบเขาเรียกว่าตาต่อตาฟันต่อฟันทฤษฎีกยมใช้แบบนี้ใช่ไหมล่ะ แม้มาทำทีทำท่าจะเป็นคนมีเมตตาต่อหน้าพระฉันไม่ค่อยเชื่อพยมยเท่าไหร่หรอกดูแววตาแล้วโหวตาไม่ัเวลายอมพูดบอกว่าก็พูดกับเขาดีๆแต่ตายอมแข็งมากเลยอะ่ะตาไม่กระพริบเลยอะ่ะหลักการจริงๆคือเวลาเรามองเนี่ยเห็นพฤติกรรมของเขาขที่ไม่ดีสภาพจิตใจเขาย่าแย่ ทัศนคติของเขาไม่ได้เรื่องเนี่ยเราก็ต้องมองว่าที่เขามีพฤติกรรมแบบนี้มีมาจากสภาพจิตใจแบบนี้มาจากทัศนคติที่ผิดพลาดทัศนคติมุมอมองที่ผิดพลาดมันมาจากอะไรมาจากการเขารับข้อมูลที่ผิดพลาดมาที่เขารับข้อมูลที่ผิดพลาดมาเพราะเขาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีใช่ไหมเพราะเขาไปคบปลาประมิตร คอบมิตที่ไม่ดีอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีเขาก็ฟังเรื่องที่ไม่ดีเมื่อฟังเรื่องที่ไม่ดีบ่อยๆบ่อยๆเรื่องที่เครียดกุ้มบ่อยๆเขาก็ได้มีความคิดเห็นที่ไม่ดีเมื่อมีทัศนคติไม่ดีสภาพจิตใจก็ไม่ดีเมื่อสภาพจิตใจไม่ดีพฤติกรรมก็แสดงออกไม่ดีหลักวงจรตรงนี้มันเป็นแบบนี้โหนี่ยน่ากรุณาในชีวิตของเขาที่เขาต้องมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมอย่างนี้เน้ะเนี่ยมองแล้วเข้าใจและเห็นใจเขาแต่ไม่ใช่ไปตามใจเขานะ เข้าใจและเห็นใจเข้าใจความจริงตรงนี้พอไปเข้าใจกระบวนการพฤติกรรมจิตใจและทัศนคติและสภาพสิ่งแวดล้อมที่เขาได้รับมาเราเข้าใจไหมอย่างเนี้ยพอเข้าใจอย่างนี้เราจะไปโกรธเขาไหมกรุณามันเกิดไหมแบบเนี้ยเวลาบาปที่เขาทํามันให้ผลใครเวลาอากุศลที่เกิดขึ้นใช่ไหมจิตที่ไม่ฉลาดจิตไม่สะอาดเอี่ยมอ่องผองแผ้วจิตที่มีมลชินเกิดขึ้นในใจเขาจิตที่มีโรคจิตที่มีของเสีย จิตที่อ่อนแอจิตที่มีของเสียเต็มไปหมดเลยทนะีเนี้ยเกิดขึ้นกับเขาจิตที่เป็นไปกับความทุกข์ความเครียดความกับกุ้มจิตที่ไม่เป็นไปกับปัญญาตอนนี้บาปเป็นกำลังให้ผลในจิตใจเขาหรือยังนี่ระดับที่หนึ่งระดับที่สองบุคลิกภาพที่แสดงออกมาสีหน้าแววตาที่แสดงออกมาทะมึงถึงสายตาทั้งหลายเหล่านี้ออกมาใช่ไหม เมื่อออกมาเป็นบุคลิกภาพสายตาพฤติกรรม ท, ทั้งหลายที่แสดงออกมาเนี่ยทาให้พฤติกรรมกล้าวแข็ ง, ขงพฤติกรรมที่ออกมาหยาบกล้านออกมาเป็นต้นเหล่านี้เป็นบุคลิกภาพระดับที่1จิตใจเขาระดับที่2บุคลิกภาพระดับที่สามสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมที่จะต้องโดนกระทบจากคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้เห็นไหมคนที่อยู่ใกล้เขาก็เป็นทุกข์ไม่ว่าจะเป็นภรรยาสามีพ่อแม่ปู่ตาย า, ยายายเป็นต้น ใช่ตลอดถึงสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมก็พอโดยไปแวโอ้โห و, ปัญหาตามมาเยอะมันน่ากัรุนานะถ้าเรามองแบบนี้เข้าใจวงจรไม้มล่ะวงจรบาปที่เกิดขึ้นหนึ่งเขาเบียดเบียนตัวเองไม่พอทั้งจิตใจตัวเองก็เบียดเบียนบุคลิกภาพตัวเองก็ถูกเบียดเบียนยังเบียดเบียนคนอยู่ใกล้ชิดเขาอิบแล้วสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมโอ้โหก็เกิดจากความเศร้าหมองเกิดจากบาปกุศลกรรมมันชั่วร้ายทั้งหลายเขาก็ตามมาจากทุกข์ของชีวิตยังไงละ่ะก็เป็นทุกข์ของสังคม จากทุกของสังคมก็เป็นทุกข์ของสภาพสังคมสิ่งแวดแล้อมหัวตามมายิบหมดเลยมองเห็นอย่างโอ้โหโธสานี่อกุศลเนี่ยมันมีโทษอย่างนี้เน้ะเนี่ยนี่เราก็วางท่าทีทางใจกรุณาในใจก็กเกิดเข้าใจใช่ไหมพอตั้งกรุณาในใจเบ็ดเสร็จก็เห็นใจและเข้าใจเขาถ้าเขายัางละตรงนั้นไม่ได้ก็วางอุเบกขาวางใจเป็นกลางว่าสัตว์โลกเป็นไปตามคำไหม เออเขาลับผลของกรมกรมกรรมคือการกระทำเขาที่แต่เรามีศักยาภาพพอไหมทีนี้ยถ้าศักยาภาพพอจะแก้ไขได้ไหมก็ต้องดูที่เราเราสามารถที่จะชี้แจงได้ไหมแนะนําได้ไหมก็ดูอีกทีถ้าอย่างเนี้ยถ้าคิดในกรณีอย่างนี้มันจะละเราจะไม่ไปโกรธตอบใช่ไหมพอมองเห็นนี้ยัง <c oughs> ที่จะถามที่จะถามว่าทำยังไงถึงจะได้คืนง <c oughs> เงื่อนไข ทำมันจริงขึ้นมาทำไงอมั่นใจเลยบรรดาโัดาโทรศทโงแล้วยังสไม่ดีโงแล้วก็ไม่ไม่ใช้แล้วเราะันไม่เป็ไม่คืแ้แท้เราก็เลยโกรธตอบเลยวิธีการคิดเอาคิดแบบนี้ยอมเวลาเห็นคนอื่นโกรธเราควรโกรธตอบหรือไม่โกรธตอบ ให้มองอย่างนี้ถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งมายืนอยู่ต่อหน้ายอมแล้วเขาเอาไปตักไอ้ถังอุจจาระมาเทล่าตัวเองเพราะความโกรธเนี่เป็นความโสโปรกใช่ไหมเหมือนคนที่เอาถังอุจจาระเทล่าตัวเองอยู่เราก็โกรธพรอโกรธเสร็จแล้วก็วิ่งเอาถังอุจจาระมาเทล่าตัวเองถามว่าคนทําก่อนกับ ค, คนทําหลังใครหน้าตําหนิมากกว่ากันเพราะอะไรก็ใช่ไงวิธีการเขาให้คิดอย่างนี้ ฉะนั้นเวลาเห็นคนอื่นเขาโกรธเามาออกไหมเวลาเขาโกรธเนี่ยเขากําลังประทัสลายตัวเองอยู่เอาความโกรธความเครียดความโกรธมันเหมือนอุจจาระนั่นแหละเขากำลังลาดกระแสชีวิตของเขาอยู่หน้าตาเอย้ยบุคลิกภาพของเขามันไปหมดแล้วเราก็เลยเห็นเขาเฮ้ยเขาจะกระลาดได้เราก็ลาดตามบ้างวะเราก็วิ่งไปตักถังอุจจระเป็นกันวเทลาดเขาเทกี่ครั้งเขาเทห้าครั้งจนเทหกครั้งนี่ ถาว่าใครหน้าหน้าตำหนิคนทําก่อนหรือทําหลั ง, ลงเพราะอะไรก็ใช่ตรงนี้เหมือนกันเราก็ให้ตั้งความรู้สึกอย่างนี้ตอนนี้เขากําลังประทุสล้ายเอาของโศกโปกเพลราดตัวเองอยู่ใช่ไหมเราควรจริงๆเขาควรเขาไม่ควรทําตัวเองแบบนั้นเมื่อเราเห็นอย่างนั้นเราจะไปโกรธไหมไม่โกรธแล้วจะไปโกรธทําไม เขาพูดว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นไหมก็ไม่เป็นง ไ, งไม่โกรธทาไมเล่าไม่แล้วถ้ามันจริงจะไปโกรธทําไมแล้วใช่ไหม <c oughs> เขาว่าเราเขาว่าเราแก่เราก็มาดูว่าแก่จริงไหมถ้าแก่จริงๆก็ต้องขอบคุณเขาสิ เออก็แก่จริงๆเธอเธอว่าถูกอ่ะถ้าเขาว่าไม่จริงโกรธควรโกรธไหมเช่นเขาบอกว่าเราเราไม่แก่เนี้ยควรโกรธเขาไหมก็ไม่ควรโกรธเพราะไม่จริงอีกใช่ไหมล่ะเขาว่าเรามันไม่จริงก็ไม่ควรโกรธเพราะมันไม่จริงถ้าเขาว่าเรามันจริง ก็ไม่คนโกรธเพราะมันจริงมองเห็นไหมไม่เห็นมีเรื่องอะไรที่เราจะต้องไปโกรธเลยก็ก็มันไม่จริงอ่ะฮะอ๋อก็มีตั้งเยอะแยะที่คนพูดเรื okay. ่องไม่จริงม <Oh, ีตั้งเยอะแยะ ก็เป็นเรื่องปกติก็เราก็อย่าไปโกรธเขาสิก็เราทวงเขาจริงวะเขาก็จริงก็จริง ø? เขา <c oughs> <c oughs> เปเี่นเป็นไรเลยเอ๊ะที่ฉันอุบมาอนี่พอจะชัดไหมเรื่องการเอาเอาเอาไอ้ฮะชัดไหมา <c oughs> ถามว่าคนเวลาเกิดความโกรธก็ดีเกิดความโลภก็ดีเกิดความหลงก็ดีเนี่ยตอนนั้นเขากําลังเอาสิ่งโสกปกราดรถกระแสชีวิตตัวเองถามว่าโทสะเนี่ยมันมันเหม็นกว่าอุจจาระไหมเหม็นกว่าไหม น่าเกลียดก็อุจาระไหนี่เขากำลังลาตัวเองแล้วเราเล่าแล้วแล้วเราเทําทำไมเราไปลาชตัวเองตามเขาเล่าใช่ไหมแสดงว่ายังไม่เห็นว่าโทรสามันเหม็นเหม็นมะมงั้นเราก็ไม่เห็นเป็นไรเลยถ้าเขาถ้าเขาจะโกรธก็ไม่เห็นเป็นไรเพราะความโกรธเป็นไฟนี่ เขากำลังจุดไฟเผาตัวเองอยู่ใช่ไหมเมื่อเขากําลังเผาตัวเขาเองแล้วเราทําไมต้องมาเผาตัวเองตามเขาเลยจริงๆเน่ยถ้าพูดโดยตรงแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าตําหนิคนที่ ท, ทําทีหลังนะถ้ามีใครมาโกรธก่อนมาชี้หน้าด่ามาโกรธมาประทุษร้ายแล้วเราก็ไปโกรธตามเขาประทุษร้ายเขานี่แปลว่าอะไร แปลว่าเราเนี่ยเห็นการกระทําที่ไม่ดีของเขาแล้วเรายังไปทําตามเขาใช่ไหมถามว่าในขณะที่เขามาด่าเรามาประทุดสไลายเราเนี่ยเหมือนเขาเอาของเนี่ยมาให้เราเขาเอาของนั้นมาให้เราถ้าเราไม่รับของนั้นของนั้นควรเป็นของใครก็กลับเป็นของเขาใช่ไหมล่ะแล้วยอมจะไปรับมาทําไม สลุปแล้วโลยอมจะเอายี่ไหมเอาเลยไหมยอมกลับไปก็ไปหาหมีดหาปืนก็ไปจัดกันเอาไหมถือมีดคนละเล่มแล้ววิ่งแทงกันเอาไหมดีไม่ดีก็นี่ไนตาต่อตาฟันต่อฟันใช่ไหมก็เอามีดมีดยาวๆเนี่ยเข้าไปก็เสียบกันเลยเอาดีไหม เขาเสียบเราแล้วก็เสียบเขาที่เดียวประเด็นคือตรงนี้คือโทสะเนี่ยมันมันถ้าเราเห็นคนที่เขากำลังโกรธจริงๆตอนนั้นเราควรตั้งกรุณิาโยเขาไปพูดเนี่ยเขาไปประทศร้ายเขาพูดเนี่ยเขาวิธีการนะ ถ้ารู้ว่าเขากําลังปทุสร้ายเราให้โยมกลับมาสมาทานศีลกรรมเนี่ยมันถ้าไปปใครที่ประทุสร้ายบุคคลที่ไม่ประทุสร้ายตอบเนี่ยมันจะได้โทษสิประการใช่ไหมยอมอยากยาได้โทษสิบประการไหมหนึ่งอายุสั้นสองมีโรคร้าย3ไฟไม่บ้าน สี่โดนยึดทรัพย์นะห้าครอบครัวแตกแยกเป็นต้นเนี่ยนะข้อสุดท้ายคือตายแล้วตกนรกยอมอยากจะได้ไหมสิบประการเนะี่ยถ้าอยากจะได้วิธีการนเนี่ยเนี่ยใส่ร้ายท่านไหนคิดประทุษร้ายเด้อคิดให้ท่านวิบัติแล้วไปใส่ร้ายท่านในเรื่องที่ไม่จริงนะลองทำดูนะกรรมนี้จะทำให้ยมได้รับโทษสิบประการ เขาอยากประทุสร้ายบุคคลนี้ไม่ประทุสรายตอบยอมรู้ความจริงตรงนี้แล้วยอมจะกลับไปประทุษร้ายเขาทำไมเมื่อมีใครจะประทุสร้ายเราหรือไม่ประทุสร้ายเราแต่อย่าไปคิดอาฆาตเขาให้ยอมกลับมาสวดมนต์ไหว้พระสมาทานสิกขาบทเขาใหยังให้ทำแบบนี้ไม่แต่ถ้ายอมคิดอย่างนี้นะ สมมติคิดนะเอาละมึงเล่นงานกูเเดี๋ยวกูจะไปสมาทานศิกขาบท8ประการแล้วกูจะสวดมนต์เดี๋ยวมึงต้องวิบัติแน่ๆไอ้เงี้ยการการคิดอย่างเงี้ยอย่างนี้แปลว่าใครประทุษร้ายใครเราก็ประทุษร้ายเขาเราก็ได้รับโทษ ด, ด้วยได้รับโทษแต่โทษอาจจะเบาหนักกันยังไงก็ต้องดูว่า ถ้าเขาคิดว่าทุสไล้เราเราคิดว่าทุสไล้เขาอย่างนี้เขาเรียกว่าจองเวนเวนย่อมไม่ระ ง, งับด้วยการจองเวนนี่มันยาก่ากันทุกอัตภาพที่เกิดมันจะตามเบียดเบียนกันไปแต่เวนมันย่อมระ ง, งับด้วยการไม่จองเวนใช่ไหมเราไม่จองเวนไม่อาคาตพยาบาทก็สมาทานศีข้าบทสัตว์แล้วก็มนานสิการว่าสัตว์โลกเป็นไปตามการรมแต่อย่าคิดเหมือนเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับกูยุ่ อย่างเงี้ยแย่เนอะต้องระวังนะเนี่ยอย่าไปคิดอย่างนั้นคิดใ น, นลักษณะว่าขอให้เข า, เ อ, าอย่างนี้ตอนที่พระโพธิสัตว์เกิดเป็นขันติวาทีดาบทเคยได้ฟังไหมโอ้บอกเราต้องเล่ายาวอีกแล้วงา น, นอ้าวเล่าย่อกันแล้วกันเวลาจากัดคืออย่างนี้ ตอนขันติวัตีดาบทเนี่ยท่านเป็นดาบทท่านบำเพ็ญขันติบรารมีคําว่าขันติก็คือทนต่อความลําบากทนต่อความตรากตรนตรำกว่าทนต่อความเจ็บใจทนต่อกิ เ, เลสอะไรเงี้นะทนต่อทุกขเวทนาท่านมีความอดทนคําว่าอดทนในที่เนี้ไม่ใช่ทนแบบกัดฟัน ก, อ, นกอดกรอดๆมันยอมพูดนะเช่นดีนะที่ฉันทนได้ถ้าทนไม่ได้โหแ่า น, นี้พังแล้วไม่ใช่งั้นคือเขาจะว่าอย่างไรเนี่ยไม่โกรธไม่อาคา่าไม่พยาบาทเลย จิตใจนั้นมั่นคงมากตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่สะทกสะท้านนี่เหมือนการคันตีวาทีดาวดอดท่านไปอยู่ในอุทยานของพระเจ้ากลาปุกพระเจ้าพระราสีรูปนี้ท่านเป็นมิจฉาทิธฐิชอบสวยน้ำจันรู้จากน้ำจันไหมน้ำจันคือน้ำแหล่เออนั่นแหละชอบดื่มเบียดื่มวายดื่มเหล้าเมาแล้วก็เป็นมิจฉาทิฐิด้วย มีอยู่วันหนึ่งก็คือพระราชานี่ก็เข้ามาที่อุทยานเนี่ยวันนั้นฤาษีก็อยู่ในอุทยานของพระราชาเพราะกลุ่มอาหมาัดเชิญมาท่านก็อยู่อีกมุมหนึง่งเบสเซดก็มีนางสนมกำนันห้อมล้อมร้องลําทําเพลงเนี่ยท่านก็สวยน้ำจันทร์ไปเรื่อยเรืก็นอนหนุนตักนางสนมรูปท่านหนึ่งก็นอนเมาเมาหมดสติไปนางสนมกำนันที่เหลือที่ร้องลําทําเพลงกล่อมพระราชาเห็นพระราชาหลับแล้วก็เลยพากันออกไปเดินเทีย่ยว ก็ไปเจอเนี่ยคันติวาทีดาวบทที่เป็นฤาษีอะ่ะท่านนั่งอยู่ในนั่งเข้าสมาธิอยู่ก็เข้าไปกราบดาวบทก็ออกจากสมาบัติก็สนทนาท่านก็เลยแสดงขันติบรารมีว่าต้องอดทนยังไงทนต่อความไม่โกรธคําว่าขันติในที่นี้คือแปลว่าไม่โกรธระงับความโกรธได้ใครจะประทศ ร, ร้ายยังไงใครจะเบียดเบียนยังไงใครจะทาอย่างไ ร, ร, งไรก็ไม่ทําความโกรธให้เกิดขึ้นไม่ทําความพยาบาทอาฆาตให้เกิดขึ้น จิตใจเยือกเย็นมั่นคงเพราะงั้นน่ยแพรไม่ตีจิตให้กับปฎาษ ท, ทั้งหลายที่เป็นต้นตอนนั้นเนี่ยพระราชาส่างเมาพื้นขึ้นมาเอ๊ะนางสนมไม่มีแล้วเหลือคนเดียวที่ตัวเองนอนหนุนตักอยู่ก็หันไปเห็นไกลๆเห็นกลุ่มนางสนมกำลังล้อมห้อมล้อมดาบดบดอยู่เนี่ยในจิตคิดยังไงตอนนั้นน่ะหวงไง บริวารของฉันบริวารของเรามันต้องห้อมล้อมเราแต่ไปห้อมล้อมใครเนี่ยใช่ไหมล่ะเป็นตนีแล้วมัชชริยะมัชชริยะก็คือห่วงและบริวารของเราบริวารของฉันมันต้องฟังฉันนี่ยไปฟังใครเกิดความรสึกริษยาเห็นไหมริษยาเกิดขึ้นมาไงมมัชชริยะและริษยามันบอกเกิดหึงความความประทุษร้ายซึ่งกันและกันเลยท่านก็เลยโกรธมาก พอโกรธไปเสร็จก็ลุกขึ้นมาก็คว้าดาบเดินไปใช้ดาบไปชี้หน้าดาบอดบอกไอ้ดาบอดขี้โกงเออมานั่งอยู่ในอุทยานของใครเนี่ยแล้วนี่บริวารของฉันเข้าใจยังก็โกรธมาสอนอะไรมาเกลี้ยกล่อมอะไรบริวารของเราคันติวาทีดาบอดก็บอกว่าอาตมาเนี่ยเป็นดาบอดบำเพ็ญขันติบรารมีสอนคันติธรรม ทศร้ายต่อไปบอกว่าสอนคนอื่นให้มีขันติแล้วตนเองมีหรือไม่ท่านก็บอกว่าอัตมาสอนบุคคลอื่นชั้นใดตนเองก็ต้องบําเพ็ญขันติบรารมีชั้นนั้นการพูดในลักษณะนี้ไม่ใช่พูดยั่ว ย, ยุพูดเพื่อจะดับไฟคือโทสะของพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยแต่พระเจ้าแผ่นดินเป็นสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิใช่ไหมเป็นมิจฉา Geral ทิฏฐิขึ้นมาก็กโกรธพุกพ่านขึ้นมาก็สั่งอํามาตะมาเลยสั่งทหารมา บอกว่าเอาละสอนเรื่องขันติอยากจะดูหน่อยว่ามีขันติหรือเปล่าก็ให้จับดาบทแล้วก็ใช้แส้เคี่ยนเคี่ยนข้างละสองพันครั้งสี่ด้านเนี่ยเลือดทะลักเคี่ยนเสร็จแล้วก็ถามว่า <c oughs> เป็นยังไงไอ้ดาบที้โกงบอกว่ายังมีขันติอยู่ไหม คือท่านพยายามจะอธิบายบอกว่าดูก่อนมหาวพิษขันติมันไม่ใช่รูปธรรมเขาจยังขันติมันเป็นนามธรรมมันอยู่ในห้วงะทะทัยลึกซึ้งของอาตมาโนน่ะมันเป็นสภาวะแห่งความไม่โกรธสภาวะแห่งความยอมรับได้ด้วยปัญญาเป็นสภาวะที่อยู่ในเหมือนอยู่ในห้วงลึกโทสะไม่สามารถจะเข้าไปถึงได้คนที่มีขันติอะทำอย่างไรก็ไม่สามารถทําความโกรธให้ของอาตมาให้เกิดขึ้นได้ท่านพยายามจะบอกว่า ขันติมันเป็นนามธรรมเป็นจิตใจไม่ใช่เป็นรูปธรรมไอ้เจ้านี้ก็ไม่เข้าใจพอไม่เข้าใจก็ให้ทหารเอามีดมาตัดจมูกตัดแขนตัดขาตัดหูนี่ขนาดนั้นนะท่านก็พยายามบอกมหาบพิษขันติมันไม่อยู่ที่แขนขันติไม่ได้อยู่ที่ขาขันติไม่ได้อยู่ที่หูขันติไม่ได้อยู่ที่จมูกแต่ขันติมันอยู่ในห้วงอธัยลึกซึ้งก็เป็นนามธรรม สภาวะแห่งการยอมรับได้หรือปัญญามาอภิอยาไปทําเลยมันค้นหาขันติไม่เจอเราไปทําลายคันติให้แตกไม่ได้ก็ใจอ ย, อย่างไปไปมาเน่ยโกรธทํำยังไงก็ทําไม่ได้เจ้าเ อ, อพระราชารูกนี้โกรธมากถึงขนาดลุกขึ้นก็กระทืบกระทืบกระทืบยอดอกของดาบอดเนี่ยแล้วก็คว้างมีดคว่างดาบทิ้งไปก็ทืบเหมือนเด็กงองแงร้องไห้เพราะทํายังไงคนก็ไม่โกรธเข้าใจไหม กระทืบกระทึบกระทึบแล้วก็เดินเดินจากไปเลยแต่ดาบดทเนี่ยท่านคิดต่อพระราชายังไงกลุ่มอมาศคานเข้ามาขอขมาบอกว่าเพราะรู้ว่าท่านพูกนี้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากเนี่ยก็บอกข้าแต่ท่านดาบดเลยอย่าทําให้ประเทศนี้ต้องวิบัติเลยต้องล่มจมเลยได้คุณธรรมของท่านเนี่ยท่านจงมีพระราชาเท่งนั้นที่คิดประทุษร้ายท่านในเมืองนี้ไม่มีใครคิดประทุษรายท่านนะ ท่านก็พูดมาด้วยใจที่สงบเงยือกเยน็นบอกว่าอมาตเอ๋ยเนี่ยอาตมาเนี่ยไม่เคยโกรธพระราชาเลยอาตมามีความคิดว่าขอให้พระราชาจงมีอายุยืนขอให้พระราชาจงมีความสุขขอให้พระราชาอย่าได้ประสบความทุกข์เดี๋ยวได้ประสบภัยวิบัติเลยมีใจคิดอย่างนี้ตลอดเวลาเลยที่พระราชาสั่งให้บุรุษเนี่ยปทุสราอาตมาเพราะ พระราชานี่เด well. ินเดินเดินล่วงคลองจักสุของดาบทเนี่ยแผ่นดินก็แยกออกแล้วไฟก็ดูดปุ๊บลงไปเลยอยู่ในเวจีเลยนี่มองเห็นไหมนี่ขันติเป็นแบบนี้ทำได้ไหมล่ะเห็นไมเขาไม่โกรธเลยเห็นไหมเนี่ยไม่ประทุสลายบุคคลที่ประทุสลายตอบไม่โกรธไม่อาฆาตไม่พยาบาทแถมยังคิด นั้นถ้ามีใครมาด่าโยมมาใส่ร้ายโยมโยมก็บอกว่าขอให้ท่านจงมีความสุขขอให้ท่านมีอายุยืนขอให้ท่านประสบความสําเร็จในชีวิตขอให้ท่านจงปลอดภัยขอให้ท่านอย่าได้มีโรคภัยทั้เจ็บเบียดเบียนให้ครอบครัวงท่านอยู่เย็นเป็นสุขขอให้ท่านมีทรัพย์เยอะๆคิดได้ไหมวิธีปฏิบัติเขาคิดทําอย่างนี้ <S <S <ๆ>เขาเรียกว่าคนปฏิบททัติธรรมขยายยางยากไหมเนี่ยยากไม่ยาก อะไรยังไม่ได้ทำยากแล้วมันไม่ได้ยากเขาให้ทาแบบนี้เนี่ยหลักการในการประพฤติปฏิบัติเขาทำกันอย่างนี้นะเนี่ยกว่าจะเป็นพุทธเจ้ายากไหมไงตอนนี้เป็นนี่ยังพทธเจ้าเป็นพทธเจ้าอย่างนี่พูดสมัยกาลังสร้างบรารมีถ้าไปโกรธวันนั้นจะได้เป็นพุทธเจ้าวันนี้ไหมนี่ไงทำไมเราจึงต้องรักพระพุทธเจ้า เวลาจะโกรธ ถ, ถามว่าที่เขาประทุษส้ายเราเขาทำถึงขนาดพระดา์บทนี้โดนทำอย่างนี้ไหมเขาทำเราถึงขนาดนี้หรือยังให้เขาทำถึงขนาดนี้ค่อยโกรธเขาสักนิดได้ไหมเขาไม่ได้มาตัดใบหูโยมเลยไม่ได้ตัดแขนไม่ได้ตัดขาด้วยใช่ไหมไม่ได้มาเคียนด้วยสรุปแล้วแปลว่าเราจะโกรธตอบอีกใช่ไหม เอ๊ะถ้า ง, งั้นพักสักยี่สิบนาทีดีไหมจะได้หายโกรธ ด, ดีไหมอ้าวง้นพักสักยี่สิบนาทีจะได้หายโกรธ